ตยัมปิสังขังสระนังคฉามิตะยัมปิพุทธังสระนังคฉามิตะยัมปิธรรมังสระนังคฉามิ ตัติยัมปิสังขังสรนังคัฉามิ ต, ต, มามติสรนักมณังนิทธิตังเจริญธรรมวันนี้วันที่สี่ห้าวันที่ห้าแม่ไล่วันไม่ทันเลยเนี่ย 5สิงหาคม2557วันนี้วันอังคารวันนี้เป็นวันวิชาสรรค่าสร้างคนสรรค่าสร้างคนเราก็จะต้องมาเป็นคนที่ถูกสร้างด้วยค่าที่อาตมาว่าอาตมาได้ เอาทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักเกณ์ในการคัดสรรในการที่จะสร้างให้คนเป็นคนขึ้นมาในแบบของพระพุทธเจ้านะคนที่เกิดมาในแบบของพระพุทธเจ้านี้แล้วจะเป็นคนที่ที่เรียกว่าอาริยะรือเรียกว่าประเสริฐเป็นคนประเสริฐ เป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นคนไม่มีโทษไม่มีภัยเป็นคนที่มีคุณงามความดีขั้นอาริยะขั้นอาริยะนี่สูงกว่าคุณงามความดีระดับปุถุชนเพราะว่าคุณงามความดีระดับปุถุชนนั้นเป็นคุณงามความดีที่ไม่เที่ยงค้นๆลงๆดีได้บังเดี๋ยวก็ไม่ดีเปลี่ย น, นมาได้วนไปวนมากลับไปกลับมาได้ แต่คุณธรรมของพระพุทธเจ้าขั้นอริยะแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แล้วมันถึงขีดของมันแล้วมันเที่ยงอย่างระดับโสดาบันเนี่ยเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งเมื่อได้ขีดได้ขั้นถึงขั้นนิยตะนะถึงขั้นนิยตะ นิยจะตาแปล ว, ว่าแน่นอนแล้วแปลว่าเที่ยงแล้วก็ได้เที่ยงเลยเที่ยงแล้วเป็นไงเที่ยงแล้วก็ข้ามชาติไปเลยเมื่อไรเมื่อไรก็ได้แล้วถือเป็นคุณธรรมระดับปัจเจกได้เป็นของตนปัจจตังได้เป็นของตนแล้วเป็นปัจเจกเป็นเฉพาะของตนและทีนี้มีในตนเป็นเฉพาะตนไปเมื่อไรเมื่อไรชาตินยัยญาตนัยก็ได้แล้ว นับตั้งแต่ส ต, ตักขัดตุกปรมาโสดาโซดาขั้นต้นถ้าขึ้นชื่อว่าได้เป็นโสดาบันซึ่งมีหนึ่งโสดาบันมีคุณสมบัติสอย่างคนชนิดโสดาบันมีสี่สอ๊ยเข้าไปมีแปดโสดาบันจะมีคุณสมบัติ8ปดหลักนี้8ลักษณะนี้เป็นตัวชี้บ่งเป็นมาตรวัดหนึ่งจะต้องรู้ทุก สองจะท่องรูสมุดไทยสามต้องจะต้องรู้จักนิโรธสมินีรู้จักทางปฏิบัติเพื่อการดับสมุดไทยดับทุกขนั้นนั่นนี่สี่ข้อสี่ข้อนี้เป็นอริยสัจว์่ส่วนข้อที่จะบอกชี้บ่งว่าเป็นอริยะ มีคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะมีดิกรีก็คือสามารถที่จะทําให้กิเลสลดได้ตามสังโยชน์นะตามสังโยช น, น์สผลศีลพปตประมาทนะเมื่อพอศิลปตประมาทแล้วก็สามารถทําให้กิเลสนั้นลดได้ลดได้ลดได้ลดไ ด, ด, ได้แล้วมันก็สามารถตั้งมัน่น เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตจะสั่งสมตกผลึกลงเป็นสมาธิในขั้นเข้ากระแสนะเข้ากระแสขั้นแรกท่านเรียกว่าโสตาปันณนะเข้ากระแสนี่ก็คือคุณสมบัติที่สามารถลดกิเลสได้ลดทําให้ลดเหตุแห่งเหตุแห่งทุกเหตุแห่งอดียสัตสี 4, นั่นแหละลดได้รู้ตัวตนของมันเรียกว่าสักกายทิทิ จับส ก, กายะได้จนกระทั่งชัดเจนไม่มีสงสัยลังเลอะไรเลยรู้ตัวรู้ตนมันแท้แล้วก็กำจัดมันได้จริงเลยว่าพลศิลปตปรามาทพลสังโยดสากิเลส ก, ก็ลดลงลดลงลดล ง, ลดลงแล้วก็สั่งสมให้มันให้มันเป็นผลรักษาผลนาสมบปราน สังวรประธานและกัประหานประทานได้ภาวนาประทานมีผลเกิดเกิดผลแล้วก็อนุรักษณาประทานหรือทําซ้ําเสวนาอาเสวนาภาวนาพระบุรีกมังทําซ้ำนะหรือทําเพิ่มเติมอยู่นั่นแหละซ้ำนั่นแหละให้ชัดเจนถ้าไล่เป็นแม้แต่วิธีการแบบต้องอ่านเวทนาในเวทนาจะได้ร้อยแปก็ต้องผ่าน ผานุเบกขาไปแล้วนะมนโนปวิจ า, านผานุเบกขาที่เป็นอุเบกขาระดับในคมัสิตอุเบกขาแล้วก็ทําไปอีกนะทุกปัจจุบันทุกปัจจุบัน36ปัจจุบันนะทั้งเทหัสิตะทั้งอันนี้มันก็จะอยู่แคหัสิตตะมันก็จะมีแบบโลกโลกก็มีอยู่นะรูปรกกินเสียงสัมผัสลาบย่บเสินเริญของโลกก็มีอยู่สัมผัสอยู่นั่นแหละแต่ในขนาดของเรา ที่เรากำหนดแล้วว่าเป็นระดับระดับต่าของเราเรียกว่าอบายระดับขั้นของเราอบายแล้วทำได้ละสังสมจนกระทั่งตกผลึกลงเป็นอนีนชาพิสังขารไม่หวั่นไหวหรือตั้งมันเราผ่านอุญญาพิสังขารผ่านการปรุงแต่งที่บรรได้ล้วไม่ต้องกำจัดไม่ต้องชาระอีกแล้วมีจะทำผล มีแต่รักษาผลอดขนาประธานมีแต่รักษาผลรักนาประธานไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดอุเบกขาจะสูงขึ้นอย่างที่เคยอธิบายมีคุณสมบัติ5ปริสุทธาประโยชนาตามุทุกรรมัญญาพระพัสรายิ่งจะแข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเพราะงั้นเมื่อผ่านขั้นที่หนึ่งถ้าแบ่งเป็นสี่ พระพุทธเจ้าแบ่งเป็นขีดสชื่อหนึ่งโซตาปัญญาสองอวิธิปาตธรรมสมนิยตะ 4, สัมโพธิปราญ น, ะนาสี 4, ขั้นฟังดีๆนะรายละเอียดอาตมาว่าพวกเรานี่ได้เรียนนี่เป็นบุญมากเลยนะเ ป, นาายเป็นมหาวิชาลรามเป็นมหาวิชารามที่เป็นวิทยายลัยของโลกเป็นขั้นอุดมศึกษาที่ สอนกันระดับศาสนาพุทธศาสนานี่อย่างนี้เนี่ยนะอัตมาว่าถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนไม่เอาก็ฉลาดน้อยก็เป็นคนฉลาดน้อยหรือไม่ฉลาดเลยไม่ได้ว่างโง่นะฉลาดน้อยหรือไม่ฉลาดเลยนะัเป็นคนที่อย่างนั้นจริงๆที่พูดนี่ไม่ได้พูดเล่น พ ง, งานผู้ที่สามารถทําได้สั่งสมลงเป็นสมาธิการกําจัดให้นิวรณ์น้อยกิเลสมันหมดไปนีิเลวาชาญชาญสี่นิอุเบกขาขั้นในขมัสิตะอุเบกขาชาญมันลดได้ละลางได้ละทาซ้ํำส ม, ส ม, มประทานอารัมรักนาประทานในระดับอนุนรักนาประทานในระดับรักษาผลในระดับสั่งสมให้มันความไม่วันไว้ความตั้งมันน่นนี่แหละอเนียนชานี่ ถ้ามันแน่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงเรียกว่าสั่งสมความตั้งมันม่นเมื่อกี้พูดผิดว่าไงจากฌานสี่ก็ถูกแล้วไงจากฌานสี่ก็จากฌานสอุเบกขานี่ยฌานที่สี่ซึ่งมันมีอุเบกขาฐานเป็นฐานของโลคุตระทีนี้เมื่อทําแล้วก็สั่งสมลงไปสั่งสมลงไปก็ตั้งมั่นลงไป ครั้งแรกเนี่ยพอเข้าเขตเป็นผลเนี่ยโสดาปฏิผลนี่เข้ากระแสได้เป็นผลพันแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งโสดาโตาปัณ ะ, ะเข้ากระแสมาแล้วเดินทางมาได้เรื่อยถ้าได้ถึงหนึ่งส่วนสเรียกว่าดา 25% ควอเตอร์หนึ่งว่างั้นเถอะก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งแล้วตังมัน ยังไม่ถึงว่าตั้งมั่นทีเดียวสั่งสมเป็นฌานเนี่ยสั่งสมได้ละกิเลสได้แล้วก็สั่งสมไปเรื่อยๆให้เกิดเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นจะเข้าใจได้ชัดเจนดีว่าสมาธินั้นคือการปปฏิบัติฌานแล้วถึงเกิดสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธินั่งลัตาเข้าไปแล้วเกิดสมาธิแล้วค่อยเกิดฌานไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอธิบายกันคนละแบบนะเมื่อขึ้นมาแล้ว ได้เสร็จหนึ่งส่วนหรือคอ a r เตอร์หนึ่งก็ถือว่ายังพอ เ, เลยยี่เเนขึ้นมาเรื่อยๆ เ, ย เ, ยเยข้าขีดที่สองอวินิปาตธรรมแปลว่าไม่แปลเปลี่ยนต้องทำความมั่นคงไม่ให้ไม่แปลเปลี่ยนนะอวินิปาตธรรมไม่ให้มันแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพิ่มจิตให้มันสะสมตกผลึกตั้งมั่นขึ้นไปเรื่อยๆจน ถึงขั้นห้าซครึ่งหนึ่งละครึ่งหนึ่งละ the half แหละถึงครึ่งหนึ่งของผลละก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นไปเข้าขั้นที่สามนี้เรียกว่านิยตะนิยตะแปลว่าแน่นอนเที่ยงแทะเที่ยงแท้ทแทน่นอนละงั้นถ้าเลยห้าสิบกันไปเรื่อยจนเต็มขีด ของ 75% 3ดสอเตสมคอร์เตสส่วนในสี่ละนา่นาถือว่าเป็นของเที่ยงแท้คุณสมบัติโซดาปฏิผลเป็นของเที่ยงแท้แล้วยิ่งสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีแต่ทิศทางที่มันจะบรรุท่าเดียวบรรุสูงสุดบรรุไปเรื่อยๆ่าาเดีว่ว พอริยสัตสีเนี่ยในระดับโสดาบันนี่ท่านบอกว่าเป็นอบายภูมิภูมิที่กำหนดภูมิของพระโสดาบั น, นคือภูมินรกภูมิเปรตภูมิเดรชาภูมิของสัตปาอปายะทุกขมิิบาฏอปายะทุกขวิิบาตคือกิเลส ท, ที่มัน ต่ำที่เราคิดว่ามันต่ําจะไม่ต่าไม่รู้จะนับว่าต่ํำยังไงนั่นแหละอปัยะทุกขติวินิบาตวินิปาตะนี่มันตกต่จาจนกรทั่งไม่รู้ว่าจะเป็นต่ํำยังไงแล้วมันตกปาฏ ว, ว่าตกหล่นร่วงไปต่ําจะไม่รู้จะมีที่ต่ําอะไรอีกแล้วอปายะทุกขติเป็นที่ที่มันทุกขติที่มันอปายะมันก็เสื่อมนะนั่นแหละนั่นเป็นขอบเขตของโซดาบันในภูมิของการพ้นอบาย นะพจนาบายนะั้นเป็นการกำหนดภูมิส่วน8ดข้อนะั้นเป็นการกำหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของโซดาบันตั้งแต่อริยสัจศี 4, แล้วก็โซาาาาตาปันะอวิปตัธรรมนิยตสัมโพธิปราชนะอีก8ดข้อนะอันนี้ก็พ้นไะป่เพราะงั้น ในฌานสี่ที่อาตมามาแถมอธิบายเสริมนั่นคือเราปฏิบัติการละกิเลสได้ล้างกิเลสในขั้นของเรานี่แหละในภูมิของเรานี่แหละในบายภูมิล้างไวภูมิของเรานี่แหละเราก็สา ม, มารถที่จะเป็นฌานกิเลสของเราเด้เราต้องรู้ลักษณะของกิเลสของเราขั้นของเราลักษณะของเราได้ชัดเจนปฏิบัตพิพ้นสังโยชน์สาม ได้อย่างแท้จริงเมื่อได้แล้วมันเที่ยงทีเทตมาพูดเนี่ยที่อธิบายยาวยืดมานั่ขยายความให้เห็นว่าผลที่ได้มันเที่ยงมันเที่ยงจริงๆไม่ได้หมายความว่ามันเที่ยงโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักฐานนะมันมีหลักฐานว่ามันเที่ยงเพราะมันเที่ยงข้ามชามเลยให้เป็นของจริงแล้วปฏิบัติถึงขั้นจริงไม่มีผิด เพียงข้ามชาตาิชาติไหนชาติไหนก็มีอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้อยู่เพียงแต่ว่าข้ามชาติไปแล้วลิงลงมมันก็พอ ม, มันลึกไม่ออกมันอาจจะถูกโรคโรครีครอบงำไปก็โรคเส้นเวลาปเป็นพิชชาติหลายคนนะโซดาบันนี่แหละไปก็โรคมันมอมเมาบางทีมันก็เป็นวิบากของเขาด้วยเขาจะต้องไปเช่นนี้วิบากแม้จะเกิดมาเป็นชาติคน แต่ก็ต้องไปใช้วิบากเพืชาติหนึ่งเป่าเปล่าเพราะการเกิดเจชาติสัตวตกขตุปโรโซดาเขาไม่ถือว่าการเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ทเป็นชาติเขาถือเอาชาติของสังโยชน์ที่เป็นสัตว์แต่ละชาติแต่ละชาติสัตว์สังโยชน์สินี่คือสัตวสิบขั้นชาตานี้คือชาติของสัตวสิบขั้นเราพ้นไปแล้วสามสัตว์ สามสัตว์ยังหลืออีกเสัตว์นี่แหละสัตตัคขตุเขตของความเป็นสัตว์สัตตัคขตุเนี่ยนี่แหละเขตของความเป็นสัตว์สัตว์อีก7สัตว์นะคือจะต้องล้างกิเลสกามกามในระดับของตนเองอะนะแล้วก็สูงไปเรื่อยเป็นกามของตนเองแล้วก็สูงไปเป็นขั้นของอสกิทาขามีนาคามี อ, มอรหันไปตามลําดับนะ ขั้นกางขั้นพยาบาทที่ไม่เป็นสังโยชน์นะอันนี้ห้าแล้วสังโยชน์ของเมืองเมืองต่ําอนาคามีขึ้นไปจนกระทั่งอีกห้หสังโยชน์ก็สูงสุดเป็นอรหันต์ได้สมโพธิปัญญะก็คือสูงสุดเลยเจ็ดชาติก็ได้เป็นอรหันต์เหมือนกันก็อย่างนี้แหละต้องดับความเกิดของกามมพกับความเกิดของพยาปาทะนะ ดับพบของรูปภพอรูปภพมานะอุทจฉะอะวิชานั่นแหละดับไปได้หมดมันก็จะถึงจะบริบูรณ์ผู้ที่มีความเที่ยงจะสามารถเป็นประโยชน์ถึงแม้ยังไงก็แม้จะถูกครอบงำทางโลกีก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอก จะถูกครอบงาทางโลกีเป็นบ้างก็เป็นธรรมชาติธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นเจ้าชายศิท ธ, ธะทะและมีคนพยากรณ์ด้วยนะว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงว่าพระพุทธเจ้า อ, อทํานายกันทั้งเจ็ดแปดพรนแม่นพรมยิ่งใหญ่เลยรับรองไม่ผิดพลาดแม้จะไม่เก่งก็ทํานายเป็นสองคติได้ก็าตาม จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าคนนี้แหละท่านก็นยังไม่ขึ้นเพราะถูกโลกโลภีครอบงําก็ไปก่อนเป็นวิบากจนเป็นนั่งปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติตามโลกเขานี่แหละจนเข้าใจผิดกันอ่าศาสนาพุทธวันนี้เข้าใจผิดว่าปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอยู่ในป่าเข้าป่าเป็นปฏิบตัติอันนั้นแหละหปีนั่นแหละคือการปฏิบตัติแล้วก็จะได้บรรลุหลุดพ้น นี่แนหะคือเดินตามทางพระพุทธเจ้าว่างั้นอันนี้แหละอาตมาพูดแล้วเข้าใจกันยากเลยเขาไม่เชื่อเพราะเขาหลงผิดกันไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นพระป่าถ้าพระปฏิบัติแล้วต้องออกป่าแบบนั้นพูดเท่าไหร่ก็ยังยากก็ไม่เป็นไรพราะเราก็ไปสู่ความจริงไปเขาก็พิสูจน์เราไม่ได้ปฏิเสธป่าทีเดียวนะออกป่าก็ได้ก็มีอยู่เราจะไปออกป่าอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่อธิบายไปสู่ฟังแล้ว จะออกป่าก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยบางคนตั้งก็ไม่ต้องออกป่าเปิดเลยไม่ต้องไปพิสูจน์ไปเช็คผลน่เ่อาไปเช็คผลก็ไปคนไม่จงเป็นจะต้องเช็คผลก็ไม่ต้องไปก็มไม่มีปัญหาอะไรผู้ที่สามารถบรรลุได้แล้วนี่จะมีผลมีประโยชน์ต่อสังคมยิ่งสูงก็โซดา <c oughs> สูงก็โซดา <c oughs> เป็นอนาคายิ่งเป็นอราหันเลยคุณสมบตัติต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่ได้เดาเง่ายๆอย่างที่บอกแล้วขนาดบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุสมาสปริจา ร, า ม, รจามาแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วชาติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรสักนิดนึงไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นพุทธ เพราะไม่มีมรรคไม่มีทางปฏิบัติไม่มีใครรู้ท่านเองก็ยังดึงมาไม่ขึ้นท่านก็ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่งไไปปฏิบัติตามขเขาแหละนังกิลมุทะ อ, อ, อัตตาทรมานทรกรรมเป็นทุกข์กริยาอยู่ในป่าไปกับเขาไปตั้งหกปี <c oughs> นะ <c oughs> แต่ของที่มีจริงเป็นสยามภูแลของพระเจ้านี่ยิ่งเกว่นิยตะอัตมานี่ก็เป็นนิยตะไงนิยตะโพธิสัตว์ก็ได้ระดับของโพธิสัตถ์ซึ่งจะไม่ขยายความวันนี้นะพวกนี้ก็มีของเที่ยงค้างติดมาอัตมาก็กวจะรู้ตัวสามสบปีกว่าจะมาโอ้ดูตัวแล้วก็ออกมา ทำหน้าที่สืบสืบทอดสืบสารของเก่าต่อไปอีกตั้งส6สหปีมันเคยมาทำงานก็พิสูจน์มาอีกตนป่านนี้ละเลยอีกสาบหแล้วนะกำลังเข้าส6สบหที่สามละวาสบกที่หนะึ่งไปไปอยู่ในลิงลมอมกระพองสากที่สองออกมาทำงานไปแล้วกระดาษขนาดนี้ มีนักเรียนขนาดนี้ถือว่าปัจจวบัคคีแล้วถือว่าปัจจุบคัคคีแล้วได้แล้วแบบของอัตมาเสร็จแล้วก็บ้าไปทีนี้เข้า36ที่สจะไปครบ36ที่สมนี่เป็นเท่าไหร่อายุร0ออายุร0 8ย้าขึ้น36ที่ส อ่าไม่เจ้าเลยอีกวันนี้ตามไม่ได้นะอีกสามสิบกที่สี่นี่กว่าจะถึงร0อยแปดในอีกเท่าไหร่ตอนนี้แปดสิบแปดสิบเอ็ดย่างนะยี่แปดปีย9ิบเก้าปีย8บแปดปีย9ิบเก้าปีดูหนะ้านะตตามันไม่น่าจะตายก่อนกันนะอีก28 29แปดยิบเก้าปีเท่านั้น น่าจะยังอยู่กันทั้งนั้นนะเนี่ยนะยี่แปดยีเกปีเองนะเทตมายืนยันว่าเป็นของเที่ยงนั่นเนี่ยเป็นของวิเศษเป็นคุณสมบัติที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตที่คนพบสิ่งประเสริฐเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตอิญญานนะ มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เราก็เรียกว่าวิชาศาสตร์นี่เรียกว่าวิชาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เราเรียกว่าวิชาศาสตร์ของมหาวิชารามวิชาศาสตร์ของมหาวิชารามเป็นเป็นวิจิตรไม่ใช่เป็นวิทยาเท่านั้นเป็นวิชาเป็นความรู้ที่มีนัยสําคัญว่าเรียกว่าวิชา เพราะได้มาแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อโลกคนของพระพุทธเจ้าที่เป็นอาริยานิมประสเสดจริงได้และเที่ยงแท้ไม่แปรปลวนแม้มันจะถูกโลกครอบงําไปบ้างอย่างที่กล่าวแล้วมันก็ไปช่วยนี้ช่วยดาเพราะว่ า, วาวมันไม่เก่งแข็งแรงอะไรหรอกอย่างอาตมา ก, ก็เล่ามามรู้แต่เ่าเท่าไหร่พยายามจะไปเลีวแบบเขาแล้วนะจะไปชั่วแบบเขาไปผักไปฝึกไปอะไรอย มันก็ไม่เก่งสัก ท, ทีอ่ามันก็ไม่เก่งไม่อะไรอะไรไปอย่างนั้นก็ไปก็เข้าไปตามเรื่องมัน ม, มีเศวิเศโสอะไรเมื่อถึงเวลามันก็จะมาให้แก่เราได้ทำงานให้แก่สังคมโลกจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่มันจะมีคุณสมบัตินั้นอยู่ในตัวเองพอสมควรแม้โลกียะทำ มันก็จะมีพระวสาสนาพุทธมีทั้งคุณค่าทางโลกีธรรมทั้งคุณค่าทางโลกุตระโลกุตระนั่นคือมันทําให้จิตลดกิเลสได้จริงนะส่วนโลกีธรรมนั่นก็คือมันมีความเจริญแบบโลกเขาจเจริญจะจะแข่งหากินขยันหมั่นเพียรมีความรู้ความสามารถในทางสร้างฐานะโดยหลาบยศสรรเสริญโลกีสุขเนี่ยโลกธรรมก็ทําได้ไม่ได้น้อยหน้าเขา ทีไม so like so so ่ด no ีจะเก่งกับเขาด้จะเก่งกว่าด้วยแต่มันซับซ้อนมันเก่งกับเขาได้มากกับเขาแต่ถ้าคุณสมบัติมันสูงมันจะไม่ไปเอาเปรียบเขาอย่างน้อยมันไม่มันไม่ทุจริตมันไม่ทุจริตนะมันไม่ทําชั่วจะมีบ้างทําชั่วหลบหลบแบบๆไปตักตขาเล็กๆน้อยๆแต่มันมันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มากไปหนักไม่หนาไม่อะไรตามบารมีอ่ะ หือตามวิบากบางคนมีวิบากแรงนะอย่างองคุลิมานเนี่ยวิบากแรงโอ้โหต้องไปนั่งไปยืดต้องไปชาตินั้นต้องก่อดจำ ไ, ได้มั้าฆ่าคนไปปูต้องจะเป็นพันคนยเงี้ยวิบากแรงก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะมีชั่วขนาดนั้นบางได้ตามวิบากซึ่งเป็นอจินไตยที่เล่ายากแต่ก็พูดให้ฟังผ่านๆเพราะเราจะไปยึดมั่นถือมั่นเห็นโอ้คนนี้ชั่วขนาดนี้ไม่ได้อยพูดไปตีทิ้งเขา ปฏิทินเขาไม่ได้หรอกมันเป็นที่บ่างเข้ามันอิรุกุคั ก, ก, กพอพูดอย่างนี้แล้วก็เลยได้ช่องชี้โพรงให้กระรอกชั้นชั่วก่อนเถ อ, อะท่านมีบารมีแล้วคงไม่เป็นไรหรอกอย่าเช่นนะพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทแม้แต่โทษภัยอันมีประมาณน้อยบาปนิดน้อยอย่าทําเสียเลย เตือนไว้นะอย่ามานั่งประมาทอย่ามานั่งทำเล่นฟังอันนี้ไปแล้วก็แหม อ, อย่างนี้ไม่เป็นไรเราตามใจกิเลมันเถอ ะ, ะเป็นวิบากเราอะไรเงี้ยยาเชียวที่นี้ที่อาตมาจะพูดให้เข้าสู่สภาพของความเป็นไม่ใช่เป็นอย่างศาสนาพุพทธศาสตร์ไปเต็มๆ เ, เหมือนกับอย่างรายการหรือ ว, วิชาพุทธชีวศิลป์คือวิชาสังคมศาสตร์ ก็จะขอขยายความว่าคุณสมบัติที่เป็นอารยธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละได้แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะเป็นประโยชน์จริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการเมืองทั้งด้านสังคมมันเป็นจริงๆนะ <c oughs> เพราะงั้นคุณสมบัติของาศาสนาพุทธจะเป็นคุณสมบัติที่สร้างคน ให้มารับใช้โลกนะให้มารับใช้โลกอย่างถูกต้องอย่างจริงอย่างมีคุณค่าประโยชน์แท้จริงนะทีนี้พูดถึงเชิงการเมืองหรือก็เรื่องของสังคมน่แหละนะเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองนะลองฟังอำนาจ5ในสังคมมนุษย์โลกนะอำนาจหเป็นกวีที่อาตมา ลงหน้าปกเราคิดอะไรเดือนสิงหาคามนี้ยังไม่มาเลยนะหนังสือเราคิดอะไรเดือนสิงหาวันนี้ที่ห้าแล้วก็น่าจะออกแล้วยังไม่มานะมาแล้วโอ้โหมาถึงเมื่อไหร่มาถึงเดี๋ยวนี้โอ้โหอะไรกันถึงจะคอน t ิ n นี คอนตินียขนาดนั้นอ๋อ oh, มันจังงี้เนาะพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาอ้าวม า, านี่คือเล่มใหม่เอี่ยมเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวมีอีกกวีบทหนึ่งสองเล่มเล่มหน้าเล่มเดือนกัญญาก็เขียนลนะส่งไปละส่งมปทั้งโน้นแล้ ว, าลวอาตมาขราวนี้ต้นฉบับเล่มหนากส่งหมดแล้วโอ้โหเก่งมากเลยขราวนี้เนี่อาตมา ชมตัวเองไม่เคยทําได้ขนาดนี้เลยสี่คอลัมน์อันมาส่งเซจมาแล้วเนี่ยอาจมารับผิดชอบอยู่สี่คอลัมน์ในเราคิดอะไรเนี่ยส่งเสซมมาแล้วเล่มกันยายนเพราะเตรียมไว้แต่เดือนก่อนๆเพื่อที่จะให้มีเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องเขียนหนังสือคาบุญคือบาปถ่ายเดียวเลยไม่งั้นก็นโอ้มันจะไม่จบอ้าวฟังดูนกักกวี เนี่ยเขึ้นเขาเลือกขึ้นมาเอาบทที่เท่าไรเนี่ยเอาบทที่ห้ากับบทที่หกสองบทมาลงหน้าปกอ้าวนับอ่านไปตั้งแต่บทที่หนึ่งอำนาจหาในสังคมมนุษย์สี่โลกนีอันนี้อํานาจหาในสังคมมนุษย์สี่โลกนี่คุณจะเอาไปถ่ายก็ได้นี่เอาไปถ่ายแล้วก็ ขึ้นเลยอ่าทีนี้เขาเดินนี้มันทางเทคโนโลยีมันเจ๋อมากทำได้ทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องล้างอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ต้องไปล้างฟีมไม่ต้องไปล้างน้ําอะไรเลยเสร็จขึ้นทันทีทันใดเลยอ่าจะเอานี่ไปอันี้ไว้ก่อนก็ได้เอาไปถาอันที่สองไว้ก็ได้ เ, เดี๋ยวอ่านอันที่หนึ่งก่อน อ, อำนาจห้าในสังคมมนุษย์โลกหนึ่งอำนาจห้าแบบไซนะ์อำนาจห้าแบบไซ้ในมนุษย์หนึ่งเบงบังคับสุดสะกดไว้อำนาจรัฐอาวุธอีกกฏหมายแห่ ใช้คมประชาให้อยู่ใต้าการปกครองสองเงินอำนาจแท้ทุนนิยมเงินฟาดธาตุโ ง, ง่งมย่ำได้รัฐบาลผสานผสมเงินยิ่งโลดแล เสือติดปีกหอนใกล้อำนาจไรเทียมทานนี่อำนาจ1อำนาจสอง้วนะสองอำนาจแล้วสามงานสารพร้อมวิทยะเพิ่มอำนาจสมรรถนะที่แท้ทั้งปราดเก่งทั้งประ โยดเยี่ยมก็โยดเปี่ยมนะทั้งปราดเก่งทั้งประโยดเปี่ยมเยี่ยมเลยได้อย่างนี้เลิศและแน่นเนื้อการเมืองหมายความว่าอานาจนี่นะถ้าเผอว่ามีทั้งอานาจระดับที่หนึ่งนะเป็นอานาจเบง่งบังคับสุดเลยทั้งอานาจรัฐอำนาจอาวุธอำนาจกฎหมาย ข้อให้ประชาชอยู่ในการปกครองแล้ว 2. องเน ไ, ได้อำนาจเงินผสมอีกพนวกจับมือกับรัฐบาลอีกเป็นเสื้อติดปีกเลย 3. ได้อำนาจของสารแกนสารมีความรู้เป็นสมรรถนะเป็นความรู้เป็นทั้งประโยชน์ให้แกสังคมจริงๆเลยอย่างนี้แหละเป็นอำนาจที่ครบพร้อมเลยน่เป็นอานาจ แน่นเนื้อการเมืองน่าเป็นอำนาจแน่นเนื้อการเมืองแต่ก็ยังเป็นอำนาจที่จะต้องรักษาอำนาจนั้นอยู่ 4. เฟื่องแถมมากด้วยมวลคนอตอนนี้มีประชาชนเข้าไปเป็นตัวเหตุปัจจัยสเฟื่องแถมมากด้วยมวลคนเป็นคะแนนเสียงชนบ่งชี้ ประชาที่ปไตยผลยิ่งชัดแลนาระบอบนั้นอย่างนี้ที่ต้องการกันเนี่ยเขาต้องการระบอบที่ต้องมียิ่งเป็นสี่ครบมีเลยนะประชาชนก็เห็นชัดสมบูรณ์ส่งเสริมด้วยให้คะแนนเต็มที่เลยมีคะแนนเสียงประชาชนก็อัดแน่นด้วย อำนาจแต่ว่าอำนาจยังยังเป็นอำนาจเชิงบังคับอยู่นะแต่เดือนหนึ่งมาสองมาเป็นอำนาจเป็นอำนาจอ่าอำนาจบังคับบังคับด้วยอำนาจรัฐอำนาจอาวุธอำนาจกฎหมายอะไรกันแล้วแต่นันหนึ่งสองอำนาจเงินผนวกว่าจับมือรัฐบาลเลยสมีความสามารถมีความรู้มีสาระแก่นสารทำประโยชน์มีความเฉลียวฉลาดที่จะพัฒนาสังคมไปให้ดีด้วย น่สาสแล้วเนี่ยงี้เป็นต้นยิ่งสประชาชนเห็นผลเลยว่าโอ้โหใช้ได้มีสาระแกนสารอ่าก็อาจจะนะอาจจะอาจจะไม่ไม่มีคอรัปชันไม่มีโกงไม่มีอะไรอไรได้ดีหรือว่าทำได้อย่างซุกซ่อนทำได้อย่างจับไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรก็ตามยังไม่เปิดเผยก็ตามนี่แหละและประชาชนก็ โอ้โหสนับสนุนส่งเสริมให้คะแนนเลยใช่มแต่ถ้าเผื่อว่าอำนาจนั้นมีอำนาจแบบนั้นแต่มีตัวทุจริตมีตัวไม่ดีไม่งามใชม่แน่นอนประชาชนก็ลดลงหรือไม่ส่งเสริมใช่มเป็นธรรมชาติที่แท้จริงนะเอาทีนี้อำนาจห้าสี่อำนาจนี้นะเป็นอำนาจบรรทา จักสมฝันโลกได้ต้องทมอำนาจห้าต่างสำเนีย ก, กออ ร, ร, กรู้คืออำนาจแห่งธรรมประเสริฐสุดอำนาจไหนจักสู้แข่งได้มีรืออำนาจที่ห้าในคืออํอำนาจแห่งธรรมะ ถ้ามีอำนาจธรรมะนี่ก็คือเป็นเครื่องประกันหลักประกันแล้วว่าอำนาจข้างบนนั้นคุณจะใช้อำนาจกฎหมายจะใช้อำนาจรัฐจะใช้อำนาจอาวุธจะใช้อำนาจอะไรก็แล้วแต่แถมมีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะมีความเก่งในการบริหารให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขดีด้วยประชาชนก็เชียร์ด้วยถ้าคุณมีธรรมะจริงๆคุณก็ไม่ ทุจริตไม่คดโกงไม่ทําผิดไปในทางอากุศลต่างๆอำนาจที่หานี่แหละจะเป็นหลักคำประกันพวกนี้เลยต่อให้คุณจะมีอำนาจใช้อำนาจรัจะใช้อำนาจอาวุธจะใช้อำนาจกฎหมายหรือว่าจะมีอำนาจเงินเข้าไปพนวกด้วยอำนาจเงินใช้เงินเป็นใช้เงินอย่าง อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังแถมมีสาระมีความรู้มีความสามารถมีประโยชน์คุณค้าให้แก่สังคมด้วยแน่นอนประชาชนเทคะแนนให้เต็มเลยในอำนาจที่สเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเลยถ้าเผอว่าอำนาจที่หนี่คือธรรมะนี้เข้าไปคืออำนาจห้าแน่ดีสุด ประเทศใดมีมนุษย์สิริได้นะมีถ้าประเทศใดมีแบบนี้แบบโดยสําคัญคืออํานาจที่หํานาจข้างบนก็ไม่มไรจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะถ้าอํานาจที่ห้าแข็งแล้วแต่เอาเถอะจะช่วยกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้ทุจริตอะไรมันก็เป็นอํานาจเต็มเต็มสภาพนะอำนาจที่ห้า แน่ดีสุดประเทศใดมีมนุษย์สริ์ได้สริดก็มายคําวรังสรร์สร้างสร้างได้ทำแม้ธรรมะแม้ไม่โลกุตนะทำแม่ไม่โลกุตก็เถอะทาเทินขอให้เป็นธรรมะไม่ทุจริตเป็นกัลยาณธรรมก็ตามในช่วระยะหนึ่งเพรามันไม่เที่ยงถ้าไม่ใช่โลกุตธรรมมันไม่เที่ยง มันก็ดีได้ระยะหนึง่งอาจจะเป็นชาติชาตินึงก็ได้นะบางทีไม่ถึงชาติอะขึ้นต้นเป็นลำไม่ไผ่พอลงท้ายเป็นบองกัญชาก็ได้ลหล า, นะลายผู้หลายคนนะจริงหลายผู้หลายคนนะพอขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผนะ่พอลงท้ายเป็นบองกัญชาหลายคนก็ขึ้นต้นเป็นลำไม่ไัยเกือบจะเป็นบองกัญชาแล้วนะนะแต่ว่าตายก่อนเลยดังไปเลยเ <laughs> พราะยัง ยังชั่วไม่ทันตายก่อนได้ชั่วก็มีนะแต่ของพุทธแล้วมันทาวร น, นะธรรมะแม้ไม่โลกุตก็เถอะทำเทินขอมนุษย์ชาตินั้นไซมั่นแท้ในธรรมนะยิ่งอันสุดท้ายสรุปเลยยิ่งสำเร็จสฤทธ์ยิ่งสำฤทธ์กว่านั้น ได้นะนี่สรุปเลยยิ่งสมฤทธิกว่านั้นได้นะธรรมะสูโลกุตระวิเศษลำนถ้าเป็นธรรมะอันที่บทที่6บอกว่าแม้จะไม่ใช่โลกุตก็ไม่เป็นไรก็ทำเถอะแต่ยิ่งเป็นธรรมะขั้นโลกุตระวิเศษลำต่างถึง แกนอาริยะโอ้ oh, อันนี้ไม่ได้แก่ต่างเข้าถึงไอ้ต่างถึงไม่ใช่แต่ก่อนนี้ใช้คาว่าเข้าเข้าถึงกันนี่ต่างเลยนี่มันจะได้ความมากกว่าคาว่าเข้าเพราะถึงนี่มันก็เข้าแล้วต่างถึงแกนอาริยะถวยราดท่วนเฮยอำนาจนี้แน่คําชาติให้ เจริญเสถียรเพราะยิ่งเป็นโลกุตระในอันที่สุดท้ายนี่เลยเป็นธรรมะเลยขั้นธรรมะบทที่6และบทที่เจนี่สรุปสุดยอดเลยว่าอํานาจที่ห้าเป็นอํานาจธรรมะเนี่ยแล้วเป็นธรรมะที่มีคุณสมบัติถึงขั้นข้อสุดท้าย เป็นข้อที่เป็นโลกุตระวิเศษแน่นอนเข้าถึงแก่นอริยะถวยราดทัว่วเหยแม้ประชาชนก็เป็นอริยะด้วยอย่างนี้เป็นต้นเยี่ยมเลยเป็นอำนาจแน่แน่ แ, นแท้แท้นิยตารือนิจจังเลยคําชาติให้เจริญสเสถียรคําให้ชาตินี้เจริญไปตลอดกาลนานสเสถียรเลยไม่มีการลดหย่อนอย่างนี้เป็นต้นนะ เทตมาเขียนไปนี่ก็เป็นประโยชน์นะถ้าเขาจะ ศ, ศ, ศ, ศ, ศ, ศึกษาเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ที่ทำได้จริงๆมีคุณสมบัติเป็นโลกุตระธรรมในขั้นที่หนี่ถึงขั้นที่5ข้อที่7บทที่7ของกวีบทนี้เลยเป็นโลกุตระธรรมเลยเนี่ยทวยราศก็เป็นโลเป็นโลกุตด้วยเป็นอริยะบุคคลด้วย ถือว่าสังคมชาติประเทศเป็นโลกุตรชาติประเทศเป็นอาริยะที่แท้สิวิไลแท้แท้ถ้าอย่างนี้แล้วนี่อำนาจบนอำนาจรัฐก็ดีอำนาจอาวุธก็ดีอำนาจกฎหมายก็ดีไม่ต้องใช้ลดลงลดลงมีไปอย่างนั้นน่มีไปอย่างนั้นแล้วไม่ต้องตัางใหม้อะไรมากมายมันจะเป็นจริงเลยนะเงินก็ไม่ต้องใช้ เงินก็ไม่ต้องไม่ต้องเอามาไไปใช้เป็นอำนาจแต่สาระาประโยชน์สาระคุณค่าต่างๆความสามารถสมรรถนะความฉเฉลียวฉลาดสร้างประโยชน์เลิศเล อ, อในอำนาจลักษณะข้อ ส, ส า, อาบทที่3อย่างที่สจะเจริญขึ้นจเจริญขึ้ น, นเลย บทที่หนึ่งที่สองจะมีด้วยนะมีนะแต่ไม่ต้องใช้มีไม่ต้องใช้เงินก็มีเยอะแย ะ, ยะไม่ต้องมาใช้ให้แกตัวเองเอาไปประโยชน์ผู้อื่นเพราะนั้นถ้าประเทศไหนเป็นประเทศที่มีคุณสมบัติอย่างนี้แท้ๆตามที่ในหลวงท่านตรัสเลยแบบคนจน แบบขาดทุนของเราคือกำไรของเราแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือแบบบุญนิยมแท้แทนี่เลยอย่างของพุทธิจารย์เลยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นประเทศที่ฐานะดีร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนอยู่เย็นเป็นสุขและจะมีกำลังพร้อมพลั่ง อ, อ, อยู่ในประชาชนมวลประชาชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างสรรสร้างสรรแล้วก็พร้อมใจที่จะเสียสละ แม้ทั้งประเทศมันจะไม่เป็นสาธารณภพคีแบบที่เป็นสาธารณภพคีถึงขั้นทำงานเอาให้รัดร0อเร์เซ์เหมือนอย่างเราเสียภาษีรอเปอร์เซเหมือนอย่างเราจะมีขั้นตอนของบุญนิยมหรือสาธารณภพคีร ะ, ระดับคือแหระดับสาลแม้จะแ น, นอโศกเราก็ยังมีไม่มีไรายได้2 0 0 0 3 0ส0พอะไรเงีย้ย ยังมีรายได้อะไรแล้วก็ยังมีขั้นอื่นๆที่ไกลๆเคียงก็อโหส์ได้มาก็เอามาเข้าเป็นกเป็นก้อนมั่งปิดกระปล่อยมาก็แล้วแต่เอามาเข้ากองกลางเอามาทําบุญเอามาทําทานเอามาบริจาคเอามาแล้วนี่อย่างเงี้ยเสริมกันไปเข้าไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆโดยเราแม้แต่ว่าคนที่เอามาทําทานเอามาบริจาคให้เราเเราก็ไม่ออกโฆษณาให้ไม่ไปชมเชย ไม่ไปให้สันเสริญไม่ไปยกยออะไรไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งแลกเปลี่ยนให้เรียนตราให้ของแลกเปลี่ยนคืนอะไรต่างๆนั้นนะไม่ลาบยศสันเสริญสักการะไม่ได้ไปตอบแทนอะไรเห็นไหมมันเป็นสัจจะที่ยืนยันได้พิสูจน์ได้นะเป็นของจริงเพราะยังคนที่มีคุณธรรมเป็นคุณสมบัติแท้คนที่ ถูกสรรค่าสร้างคนขึ้นมาได้เป็นคนอาริยะแบบนี้เนี่ยมันประเสริฐ จ, จริงๆนะเพราะอาตมาถึงมั่นใจแล้วก็จะตั้งใจที่จะอยู่ช่วยกั น, นช่วยกันสรรค่าสร้างคนชนิดนี้ขึ้นมาให้แก่ประเทศไทยให้ประเทศไทยสมหวังพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านโอ้โหทุ่มเทท่านก็ทุ่มเทขนาด ทุกวันนี้ก็อาตมาขอพูดนิดนึงอาตมาว่าในหลวงนี่มีมีบากมากก็อาตมามีบากานมากกาอาตมาเยอะเลยหลายไนยะอาตมา ก, ก็ปาเข้าไปแปดสิบแล้วนะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มาทำให้เห็นว่ามันร้ายแรงกว่า น, นั้นเพราะอาตมารอดพ้นแม้กระทั่งในเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ย อะไรหลายๆอย่างอาตมาไม่หนักไม่หนักเท่าทัานไม่หนักเท่าทัานท่านน่าเห็นพระไทยจริงๆอวิบากท่านสูงวิบากท่านแรงก็าท้แน่นอนแล้วท่านก็ต้องมีวิบากของท่านก็แต่ละคนแต่ละอะไรก็ว่ากันไปนีที่อาตมาต้องเอาคนจริงเอาตัวเองมั่งคนนั้นคนนี้มา ยืนยันอ้างอิงบ้างเพื่อให้ศึกษาไม่ใช่ไปว่าคนนั้นไม่จะไปยกคนนี้ไม่จะไปขม่มคนนั้นอะไรหรอกคนที่ไม่ดีก็ยกขึ้นมาพูดบ้างคนที่ดีก็ยกยกขึ้นมาชมบ้างอะไรนี่ไม่ได้หมายความว่าจะไปยกคนนั้นชมคนนี้ข่มคนนั้น ข, มขน่นขมคนนี้แต่เป็นการศึกษาเป็นเรื่องของการศึกษาที่เอาขึ้นมาให้ดูนะหลังจาที่อาตมาหยิบอธิบายให้ฟังได้เห็นว่ามนุษย์ชาติเนี่ยในสังคมเนี่ยมันมีอํานาจที่เป็นนามธรรมา ซ่อนอยู่ในอาวุธก็เปนามธรรมซ่อนอยู่ในกฎหมายอยู่ในอำนาจรัฐอะไรต่างๆก็เป็นนามธรรมาใช่ไหมซ่อนอยู่ในเรื่องเงินเรื่องทองก็เป็นนามธรรมซ่อนอยู่ในเรื่องของความสามารถสมรรถนะการงานสิ่งที่ลงไปเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าอะไรแม้แต่อยู่ในความรู้จะเป็นความรู้ทั้งเทคนิคกกับความรู้ทั้งโลกมันก็เป็นนามธรรมา แล้วก็ยังมีคุณค่าที่ซ้อนอยู่อีกนะเพราะนามธรรมต่างๆพวกนี้มันลึกซึ้งโล ก, กุตรธรรมเป็นนามธรรมที่ซับซ้อนในลึกซึ้งเป็นอาริยะที่จริงที่คนนะเรียกว่าอะไรอะโหยหาตะกุยตะกายหาในโลกนะแต่เขาไม่รู้ โลกุตระที่เรากําลังทำในของพระพุทธเจ้าทําได้ขนาดนี้นี่อาตมามั่นใจว่านี่ถูกต้องเป็นโลกุตระเป็นอารยธรรมของพระพุทธเจ้าเมืองไทยเองเป็นเมืองพุทธเกเซนตมีผู้รู้เรียนรู้มาก่อนอาตมาอีกแกอ่อาตมาก็มีเรียนมากอาตมามากมายอย่างตีอาตมาทิ้งอยู่เลย <c oughs> อาตมาก็พยายามทําพิสูจกันจมหมดทางขนาดนี้ว่าถึงวันนี้ ตีอาตมาทิ้งอยู่เลยเห็นไม่มมันไม่ง่ายเห็นไม่มมันไม่ง่ายเลยยากแต่อาตมาไม่ได้พูดนี่พูดว่าทอนะม่นมีมคําว่าท้อไม่มีอาตมาอาตมาไม่ใช่ชาวจีนที่จะกินลูกท้อลูกท้อ น, นี่มันพลไม้สวรรค์นะผลมาสวรรค์นะลูกท้อเ น, นี่เขาถวายในเง็กเซียนฮ่องเต้นนะอาตมาไม่กินลูกท้อไม่มีท้ออาตมาเข้าใจอ่ะ เข้าใจไม่มีทอ้อเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่ามั่นใจในธรรมะพระพุทธเจ้าที่เจรนสอนไว้ว่าเนื้อแท้มันเที่ยงเนี่ยมันเที่ยงอโศกนี่เที่ยงเพราะอาตมา ก, ก็จะค้นขวายต่อไปพาพูนต่อไปใครจะช่วยอาตมามังยกบ้างขึ้นไม่ขาดหงตกหล่นเลยนะข อ, อบคุณอข อ, อบคุณอย่างยิ่ง อาตมาได้คนช่วยขนาดนี้ก็ดีแล้วมันเป็นไรหรอกอาตมา ก, ก็ยังไม่แก่ <c oughs> หัวเราอะไรนะอาตมาอายุ80เองถ้าอาตมาอายุเกินขึ้นไปรอบที่4ี่นะสารอบที่1 72รอบที่2องแปดรอปบที่สเลย1้อไปรอบที่4เออเคอยบอกแกในที่ ยัไม่ทะเลยร้อยแปเลยบอกแกได้ไงอพึ่งเข้าเขตรอบพึ่งเข้าเขตที่สามนี่พึ่งจะครึ่งคนนี่พึ่งเลยครึ่งคนมาน้อยเดียวพึ่งแปบเลยเจ็สบสองมาแค่8ปีเองอเลยเจ็ดสิบสองวันคือแปีเองอเลยครึ่งคนมาหน่อยเดียวเพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่า คุณค่าของคนอาริยะที่แท้จริงมันมีคุณค่าที่แท้จริงความเป็นอาริยะมันเป็นยังไงพอเข้าใจไหมมันซับซ้อนลึกซึ้งอยู่จริงๆริงแล้วเราจะรู้ว่าใจจริงของเรานี่มีอย่างไงแค่ไหนมันฟื้นมันไม่ฟื้นมันเออนอกจากไม่ฟื้นแล้วมันยังเข้าใจเข้าใจมันซับซับซับซับซึ้งใจมันซับซาบสิเออเรามีแค่นี้เรายังซาบซึ้งใจมันยัง หน้าภาคภูมิอะไรๆต่างๆนานานมันจะเป็นจริงเลยในมนุษยชาตินะ ใ, ในมนุษยชาติแล้วมันเป็นได้ไหมมันเป็นได้มากน้อยแล้วแต่พวกคุณฟังแล้วพวกคุณก็จะต้องรู้ว่าตัวเองมีมีตัวเองมีมีจริงๆอย่างที่อาตมาว่าหรือไม่เพราะฉะนั้นจึงพยายามช่วยกันร่วมมือกันสร้างขึ้นในีมันเป็นไปได้หนึ่งอาตมามั่นใจว่ามันเที่ยงสองมั่นใจว่าเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะ 3, โลกทุกวันนี้มันน่าช่วยสเพราะมันโอ้โหมืดมันไม่เข้าใจขณะนีเ้เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเป็นมหาอำนาจนะมหาอำนาจของโลกนะเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจชื่อว่ามหาอำนาจเลยนะนี่เราก็พูดถึงอำนาจท่านมีมหามเป็นมหาอำนาจเพราะมีอานาจจริงๆใช่ไม มีอำนาจจริงๆและเป็นอำนาจซับซ้อนนะเขาพยายามพลางในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามในเรื่องที่จะทุจริตในเรื่องที่จะไม่เคาาพากลในเรื่องที่จะไม่เป็นลักษณะผู้ดีไม่จะลักษณะที่ที่อะไรเนี่ยเขาไม่เขาไม่ทำนะเขาพยายามทั้งตที่เขาทำมาแหละเขาพยายามกลบเกิือนพยายามซุกซ่อนพยายามที่ไม่เป็นอะไรมันไม่ไม่บริสุทธิ์จริงรู้ไม่ใช่ชาวโลกไม่รู้รู้รู้ แต่มันทำไม่ได้เอาเอาแต่อย่างไงอย่างอำนาจอเมริกาใช้เงินมันมีเงินั้ยมันไม่มีมันเอาแบงก์งเทกมาแจกโลกเลยนี่ให้โลกใช้แบงก์ของเทกโดยที่เรยว่าเมื่อไหร่ไม่รู้นี่เขาจะไปรวบรวมเอาไปเผาแบงก์กงเทกมันไม่มีหลักประกันแล้วข้างในก็กลวง กลวงหลายอย่างสร้างนิสัยสร้างอะไรต่างๆนานาที่จมไม่ลงอะไรต่างๆนานาไลมากมายเลยนะอาจจะมาไปพูดไปเรื่องก็มากๆไม่ดีนะก็พูดให้ฟังพอเป็นน้ำจิมนิดหน่อยก็พอนะเพราะงะั้นลักษณะพวกนี้มหาอํานาจของโลกจึงไม่ใช่มหาอํานาจแทนแต่มหาอํานาจธรรมะ ไม่ต้องเป็นประเทศใหญ่เหมือนแต่ก่อนนี้อังกฤษไม่ใช่ประเทศใหญ่แต่อังกฤษก็เป็นมหาอำนาจล่าอาณานิคมทำอะไรอะไรต่างๆนานาแต่แบบโรกีเขาแบบโรีแต่จริงๆยังไงยังไงอังกฤษก็ยังมีคุณธรรมขออภยัยเถอยิ่งกว่าอเมริกาเดี๋ยวนี้ก็ยังรักษาอยู่ได้กว่านะยังมีอะไรซับซ้อนที่ พวกเรานี่จะมองออกว่าใครดีเนียนใครดีเนียนก็กันมีความดีที่เนียน ก, กันและประชาธิปไตยที่สองขาบแบบอังกฤษ เ, เนื้อชั้นกับประชาธิปไตยขาเดียวประชาธิปไตยขาเดียว ก, ก็ตัวอย่างของอเมริกานี่แหละมาสองรกว่าปีเป็นตัวอย่างประชาธิปไตยขาเดียว แต่เคยแยกไปจากอังกฤษแต่เสร็จแล้วเขาไปได้มีแนวคิดแบบนั้นโดยความคิดว่ามันต้องเสมอภาคมันทำไม่มีสังดินาไม่มีอะไรเนี่ยเชิงคิดพวกเนี้มันก็เลยออกไปทําแบบนั้นเขาก็ได้ของเขาไปแบบนั้นเซอร์ตรมา ก, ก็บอกแล้วมันเป็นประชาธิปไตยสองขาที่มีทั้งวัตถุและจิตมันไม่มีทั้งสองอย่างมันมีแต่แค่วัตถุนะเพราะนนั้ทางประชาธิปไตยไปโทษ เขาบรรณิตว่าเป็นพวกแมทเทอร์เรลิซึมเป็นพวกรัฐที่วัตถุมีวัตถุนิยมเท่านั้นประชาธิปไตยเมอร์ซอนทางวัตถุเหมือนกันเพราะเขาไม่หลงลึกไปถึงชั้นจิตวิญญาณแต่พวกเรานี้ได้ศึกษาในพวกเราจะรู้ทั้งจิตทั้งวัตถุจะรู้ทั้งสองด้านเลยแล้วก็จะไม่ไปขม่มไม่ไปหลงไหลเป็นาธาตุทั้งสองอย่างไม่ข่มและไม่ไปเป็นาธาตุทั้งวัตถุทั้งจิต ทั้งสองอย่างเลยจะมีปัญญาจะรู้ถึงคุณธรรมคุณสมบัติอันพิเศษอันพิเศษนั้นอย่างแท้จริงนะ <c oughs> ทีนี้อาตมามาคราวนี้ก็เลยต่ออำนาจอีกเล่มใหม่เล่มกันญาเนี่ยชื่อบทของกวีบทนี้คืชื่อว่าอำนาจที่โลกใช้อำนาจ ที่ทำใช้คือธรรมะอานาจที่โลกใช้อานาจที่ทำใช้ธรรมะใช้วางอย่างนี้อานาจที่โลกใช้ในมนุษย์เบ่งสุดบังคับสุดยิ่งไว้หมายความว่าโลกนี้กะอํานาจที่เขามีแบบโลกโลกนี่แหละ เขาก็พยายามที่จะบังคับพยายามที่จะเบ่งไว้แบ่งแบ่งให้ยิ่งยิ่งไว้ด้วยด้วยอํานาจทุกยุทธยุทธะนะได้ ว, ว่าโดวยวิธีทุกอย่างแห่งพระเดชการแหถือว่ายังเป็นอํานาจพระเดชการอยู่ทั้งสิ้นถ้าไม่ใช่โลกุตระแท้ไม่มีหรอกถ้าไม่ใช่โลกุตระแท้ไม่มีแม้จะเป็น ลักษณะของคนคนที่ยังไม่บรรลุเป็นอรหันต์จะมีกา ร, รเผด็จการตัวเองอยู่กดข่มให้กับตัวเองบังคับตัวเองรู้ว่าอ้ น, นีไม่ดีก็กดข่มไว้หรือว่าไม่ยอมให้อะที่ไม่ดีนี่ออกมาทําลา ย, ยก็กดข่มอยู่นั่นแหละเผด็จการกดข่มพรา ะ, ะ น, นยิ่งไม่ได้เป็นอาริยะเลยไม่ต้องห่วงรองมันกดข่มกันยิ่งกับอะไร ด้วยอำนาจทุกยุทธแห่งเผด็จการแฮมนุษย์บ่อยชอบยิ่งใช้อำนาจนี้ปกครองย้อนแยงไหมเขาไม่ชอบใครก็ไม่ชอบอำนาจแบบนี้ไม่ชอบมไม่ใช้หรอกแต่มันก็ยิ่งใช้ยิ่งไม่ชอบยิ่งต้องใช้เพราะไม่ชอบไม่ได้เองก็จะดิน้นดิ้นก็จะบังคับเองเพราะเองก็ใช้เหมือนกัน ทุกคนใช้อำนาจเผด็จการหมดเลยไม่ว่าใครเอาอัตตาตัวตนเป็นตัวตั้งทุกหัวเลยบุคคลทุกหัวจึงต้องใช้อำนาจข่มกันไว้หมดทุกอย่างและก็รู้กันนะในในยะนุไม่ชอบไม่ชอบก็จะยิ่งใช่ยิ่งไม่ชอบมากก็ยิ่งใช่มากหากลองใครได้อำนาจนี้มาน้าก็ลองดูใครได้อำนาจโลกิยะานิอำนาจ เผด็จการพวกนี้มาหากลองใครได้อำนาจใครได้อำนาจใ ค, ใครได้อำนาจต้องอ่านแบบนี้เพราะาอานาจเรารวบเป็นคำเดียวหากใครหากลองใครได้อำนาจนี้มาเชื่อเถิดยากหนักหนาจักทิ้ง มีแต่คิดค้นหาเชิงหลอกประชาแลให้เชื่อในอำนาจนิง่งไปแม้นเผด็จการพริ้งก็ได้นิ่งก็ได้นิงน่งเป็นแสดงเป็นคำแสดงนิง่งพริ้งก็ไม่แสดงในคำไทยเลยเก่าๆหน่อยให้เชื่อในอำนาจนิง่งไปแม้นเผด็จการ เพื่อให้หลอกให้เชื่อว่าอำนาจนี่มันเป็นอำนาจดีอำนาจเผด็จไม่ใช่เผด็จการหลอกหลอกไม่ใช่เผด็จการหลอกเพื่อให้มาไม่เหมือนไม่ให้แมนเผด็จการไม่ให้เป็นเผด็จการหลอกกบเกลือนทั้งนั้นเนี่ยทุกเจ้านะไม่ให้เผด็จการไม่ให้เป็นเผด็จการมันก็เผด็จการอยู่นั่นเนี่งานแห่งกิเลนั้นสุดฉลาดนะมันเป็นเชิงฉลาดของกิเลสทั้งนั้นลวงมนุษย์เพิ่มอำนาจ ซับซ้อนโดยใช้โลกกระทำฟาดหัวมนุษย์แหลน่าใช้โลกกรรมนี่แหละลาบยอดสันเสร์โลกีสุขเนี่ยซับซ้อนฟาดหัวมนุษย์มนุษย์สยบกลับมาอ้อนคลั่งไคลร้รเผด็จการนมนุษย์ก็สุดท้ายถูกอำนาจมันคมต้องสยบ อ่าสยบไปมันสู้ไม่ได้ก็กลับมาอ้อนอีกมันซับซ้อนกลับไปกลับมาไม่รู้กี่ชัน้นเลกลับมาอ้อนแ ล, ล้วก็บางทีก็ทำเป็นข้างใค ร, รเผด็จการซ้อนอีกเนี่ยอย่างพวกแดงนี่นะมันซับซ้อนมันตปกินหลอกไปหลอกมาอีกหน่อยค่อยดูทีเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อ่าเดี๋ยวก็เห็นหางแดงจริงเดี๋ยวหางโผล่ไม่ต้องกลัวนี่มันก็โผล่บ้างแล้วอ่าย้อนไปย้อนมามันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนหรอก บ่บอนานเลยชาตินี้ไทยเห็นมีผดเผดเด็จ ก, ก, การเนี่ยที่จะ ท, ที่น่าจะใช้ภาษาให้มันเต็มเลยนะแต่่มันมันบังคับมีผดเด็จ ก, การตัวเป็นๆมันน่าจะใช้อย่างนั้นเลย <c oughs> นะบ่นานเลยชาตินี้ไทยเห็นมีผดเด็จ ก, การเป็นเยี่ยงพร้อง อยี่างพรองอย่างที่กล่าวพรองคือพูดคือกล่าว อ, อย่างที่พูดอย่างที่กล่าวนี่มีเผด็จการเป็นอย่างที่ว่านี่ให้เห็นนีเลยไม่นานเนินอะไรหลกไทยมันเห็นอยู่เนี่ยไทยลําบากยากเข็นเพิ่งผ่านมาเฮ ย, เ, ยเห็นอยู่ระรัเนี่ยพึ่งจะเ บ, บาๆมาบ้างเนี่ยเข็ดลาบซาบซึ้งต้องช่วยแก้กันเถิ น, นถ้าเข็ทดทลาบเนี่ซาบซึ้งเนี่ยอย่างนี้แล้วเรามาต้องช่วยกันช่วยกันแก้ เชิญชวนทุวนทุกผู้คนไทยร่วมฝึกอำนาจในจิตแท้มาร่วมกันฝึกอำนาจในจิตแทๆสร้างโล ก, กุตระไขรหัตโลกดูรามาไข ร, รหัตรหัสโลกนี่โลกมันโลกีนี่แหละมาไข ร, รหัตพงนี้มันเด้วก็มาเปลี่ยนแปลงรหัตใต้ดีๆ อำนาจไหนจักแก้กิเลสได้มีหรือจะมีอำนาจไหนมันแก้กิเลสได้ทำไมช่อำนาจโลกุตระนะคือกิเลสนั่นแหละแท้ในคนเหี่ยมโหดเลือดเย็นจนยากรู้มันซุกซ่อนแม้ตนยังหลอกตนเลย อวิชชาพาทุกผู้พา่ายแพ้กิเลสมันเพราะอาวิชชาในตัวเองนั่นแหละมันพาตัวเองนี่แหละพาทุกคนพา่ายแพ้กิเลสมันทั้งนั้นไฟทันกันเถิดท้วนทุกคนฝึกยังรู้กิเลสจนกำจัดได้ ความเห็นแก่ตัวตนลดแน่อำนาจนี้หากใช้ช่วยแท้เจริญเสถียรนี่คือเสริมบทเดือนที่แล้วเป็นอำนาจที่โลกใช้กับอำนาจที่ธรรมะใชะ้เพราะอำนาจโลกที่เขาใช้อยู่เนี่ยกับอำนาจธรรมะ เราเรียนรู้ทั้งสองอย่างอำนาจโลกเราก็เรียนรู้แล้วเราก็พยายามลดละไม่มาใช้อำนาจโลกกันแม้แต่ในกลุ่มพวกเรากลุ่มสังคมพวกเราเนี่ยเราก็ลดแล้วก็ไม่ไาใช้อำนาจโลกก็ใช้ธรรมะยิ่งสูงขึ้นมีอำนาจธรรมะมากขึ้นอำนาจนี้ไม่ต้องใช้มันเป็นอำนาจโดยธรรม เป็นอำนาจโดยธรรมมันจะเกิดก็มันแล้วก็คนจะเคารพนับถือคนจะบูชาคนจะยอมเองคนจะยกให้ยอมยกให้บูชาเทิดทูนเลยบอกว่าโอ้สุดยอดเหมือนจเทิดทูนพระพุทธเจ้าเงี้ยอุบจะเทิดทู น, น, ททนสุดยอดเลยจะยกให้ยังไงยังไงยกให้เชื่อทั้งในภูมิปรรัญญาเชื่อในความจริงใจเชื่อทั้งในทางเป็นจริงของ ทฤษฎีของวิชาการที่ได้ใช้แล้วปฏิบัติแล้วเป็นจริงเกิดจริงสมบูรณ์ถาวรยืนยันสถิตเสถียรอะไร จ, จริงๆเลยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นคุณวิเศษของมนุษย์ชาติเดี๋ยวพระเจ้าท่านได้ทนพบอาตมาก็ซ้ำย้ำพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาอะไรท่านศึกษาเรื่องความเป็นมนุษย์กับสังคม เพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาได้ทฤษฎีหลักแล้วท่านก็เอามาประกาศเอามาให้มนุษย์ปฏิบัติตามจนเกิดได้เป็นได้จนกระทั่งมันสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้แต่สองพันหรอปีผ่านมามันเสื่อมมันผิดเพี้ยนไปจนกระทั่งโอ้โหอัตมาต้องมันนั่งงมคลำดึงขึ้นมาเอาขึ้นม า, ามาประกาศกันใหม่มาว่ากันใหม่จนทุกวันนี้นี่ยัง คนยังไม่เชื่อเลยว่ามันใช่ก็มีพวกคุณนี่เนี่ยเขาหาว่าโง่อะไรกันนักหนาให้โพธิรักหลอกน้าหมายโพธิรักหลอกอยู่ได้น้ายิ่งสมัยสมัครดูที่เนี่ยกล้วยวีเดียวมันใช้ทั้งวันก็บอกจะมาใช้เอาให้กินกล้วยวีเดียววันวันฮะฮะอะไรนะ เอออนาณาเสนาขันกล้วยวีเดียวเลยว่าให้ใช้เลี้ยงกล้วยมันใช้ทั้งวันเลี้ยงหลอกใช้กล้วยวีเดียวมัให้กินกล้วยวีเดียวเลี้ยงทํางานทั้งวันเขาก็อย่ า, างนั้นแต่าก็าไม่เชื่อนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอาตมาไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าอาตมาเองอาตมาไม่ได้มาบังคับคุณไม่ได้หลอกไม่ได้ล่อหนาไม่ได้บังคับไม่ได้หลอกไม่ได้ลอ่ออาตมาว่าอาตมาเปิดเผยจะรำ ใครมีปัญญาก็เห็นก็เอาแล้วก็ามาปฏิบัติเอาให้ได้ถ้าได้ก็เป็นของคุณคุณมาด้วยคุณเองอิสระเสรีภาพตนคุณมาเองเห็นว่ามันดีอย่างงี้ก็มาแล้วก็มาเอาไปแล้วก็มาเป็นไปได้เสร็จแล้วมันก็มาเป็นคนชนิดนี้ให้แก่โลกก็เกิดคุณธรรมเกิดมวลเกิดสังคมแบบนี้แบบนี้แหละนะซึ่งสังคมแบบอโศกสังคมแบบอโศกไม่รวยอย่างที่ในหลวงท่านกรับ จนจนแต่มีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์จกนกระทั่งช่วยผู้อื่นได้ล้วก็ช่วยผู้อื่นอยู่ตลอดมันจึงไม่รวยได้พราะเรามีมากขึ้นเราก็ไม่ช่วยเขาเราไม่กักตุนเราไม่กักเก็บเราไม่สะสมอปัจยะไม่สะสมแล้ว ร, รู้ว่ากำลังของเราสมรรถนะของเราความขยันของเราซับอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมรรถนะกับความขยัน เรามีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถแล้วเราก็ขยันมันก็เกิดผลผลิตมันก็เกิดคุณค่ามันก็เกิดประโยชน์เกิดอะไรอยู่แท้ๆเลยเสร็จแล้วเราก็กินใช้ในนี้เหลือเพราะสมรถนะของคนมันเกินกว่าตัวเองกินตัวเองใชย้ยิ่งเราปฏิบัติลดละมักน้อยสันโดษลงมามันจะไปเปลืองอะไรอ่ะไม่เปลือง เพราะฉะมันจงเป็นเศรษฐศาสตร์บทที่ยิ่งใหญ่มากเลยอาตมายังนึกอยู่เลยว่าโอ้ถ้ากรรมการที่นอร์เว ย, ย์นะจักไหมกรรมการอะไรฮะที่นอร์เวย์ อ, อะฮะเออโนเบลไง กรรมการที่อนอร์เวย์ถ้าเขามีภูมิปัญญารู้กนะให้อ็นโบนไพรส์สแตดมาเป็นนานแล้วถ้าเขามีภูมิรู้เนะขาเข้าใจหรือไม่ก็ให้ในหลวงไปก่อนลนะแต่เอาเถอะขออภัยทนาะตรงนี้ติตรงพูดในหลวงก็ทรงงานก็ เป็นนามธรรมมากหน่อยแต่อาตมานี่ททำงานมีรูปธรรมมากหน่อยจะเห็นง่ายกว่ า, าถ้าเผื่อว่าเขามีความรู้ทางสัจจะพูนิจิงนะเขาให้โนเบลแล้วเพราะว่าเศรษฐศาสตร์บทนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเศรษฐศษษ า, ส า, ษาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าแต่เศรษฐศาสตร์เลยการเมืองด้วยเนี่ยรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่สังคมศาสตร์ด้วยยิ่งใหญ่ ทังรัฐศาสตร์ทั้งเศ ร, รษฐศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์ยิ่งใหญ่ทางเทคนิคอาจจะไม่อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่อาถรรเทคนิคอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ทางเทคนิคก็ต้องไปฝึกเอาฝึกไปเขาไปทไปําไปนะพอะเทคนิคมันต้องอาศัยการฝึกซ้อมการสร้างแล้วมันก็หายไปแต่ละชาติเทคนิคแต่มันติดไปบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนโลกุตระโลกุตระธรรมนี่ทนเที่ยงแท้เพราะมันเป็นล้างอนุสัยของจิต โลกคุณจะได้ไม่เวลากันุใสของจิตแต่ไองานความรู้ทางโลกนี่มันไม่ได้แบบสั่งสมเพื่อนุสัยมันไม่ได้ผนึกลงไปแบบนั้นมันไม่ได้ทําึงขนาดนั้นมันไม่มีตัวจิตที่มันมีมีสภาพที่ลงไปถึงขนาดนั้นเพราะงั้นมันจึงเลเหลือมาบ้างนะมันก็เป็นเทเลนต์มันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นอะไรเป็นกิฟเป็นกิฟเป็นความสามารถความรู้พิเศษที่มัน มันติดตัวม า, าเรียกว่าพรสวรรค์นะไม่ต้องไม่ต้องสแสวงหาชาตินี้แต่มันติดมามันก็มีได้บ้างแต่มันก็หลดหลุดไปเยอะดีไม่ดีก็เลือนหายไปเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงแต่โลกรุตระจิตโลกุตระจิตจะเป็นโลกุตรธรรมที่ได้แล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนนะมันจะยืนนานเพราะมันถอนรากถอนโคนกันเข้าไปแทงเลยอนุสัย มันถอนรากถอนคนอนุสใสมันเข้าไปแทนที่เลยอ่าเข้าไปแทนที่และไอสิ่งที่เข้าไปแทนที่นี่เปนเป็นสิ่งประเสริฐคนเราถ้ามีสิ่งไม่ดีในตัวเองเราอยากเอาออกหรืออยากเอาไว้มีสิ่งดีที่ประเสริฐอยากเอาออกหรือเอาไว้มันมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติมันก็ต่างกันใช่ไหมมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มัน ยิ่งประเสริฐขนาดนี้ใครมันจะอยากเอาออกใช่ไหมมันก็เอาไว้อาศัยและมันซับซ้อนคุนวิเศษในระดับที่เป็นอารียธรรมถึงขั้นอรหัตผลเนี่ยแม้มันจะยึดไว้มันก็วางได้เร็วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ไม่อยากมันซับซ้อนซับซ้อนอย่างไม่รู้จะว่างไงมันซับซ้อนจริงจริงนะ นี่คือคุณสมบัติอันพิเศษของศาสนาพุทธนะเพราะงั้นวันนี้อาตมาก็พยายามอธิบายในเห็นถึงการสรรค่าสร้างคนในการสร้างมนุษยชาติขึ้นมาโดยทฤษฎีของพระเจ้าจะได้คนที่มีคุณวิเศษที่เป็นคุณสมบัติอาเรียบุคคลที่โลกโหยหาโลก คขว้อยากได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างโดยสร้างตนเองนี่แหละให้เป็นและก็มาช่วยกันช่วยกันเป็นมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมาเรื่อยๆนะพยายามนะอ้าวเอาละอาตมาดูเวลาแล้วทุ่มย่สิบนะเฮ้ยมันไว จ, จริงๆเมื่อกี้นี่สายหน่อยนะ เดี๋ยวมีโต๊ะมีโต๊ะที่นี่มันต้องมาเตรียมตัวตั้งตรงตั้งโต๊ะนะมันจะโต๊ะน้อยๆ น, อยอยนี้ต้องมาตั้งโต๊ะใหญ่กว่านี้หน่อยก็ต้องค่อยๆว่ากันก็ดูกันบ้างใครที่พอรู้เอามาใช้พรุ่งนี้ได้ก็ใช้เขาเอามากองกองไว้ให้แล้วนะมีอะไรจะใช้ก็ว่ากันไปเขาจะเอามากองให้มีผู้ที่ทำบุญอย่างนี้แหละทำทำบริจาคไอ้คําว่าบุญนี่มันติดเป็นภาษาไทยซะจนอาตมาก็ต้องมาใช้ซ้ำๆซ้อนๆถึง ตอนนี้อธิบายบุญอยู่ว่าบุญมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เอามาใช้ทางแทนกุศลไม่ใช่บุญคือเป็นคุณลักษณะพิเศษของมันต่างหากบุญคือการชำระกิเลสมันเป็นความดีไห ม, มเป็นความดีงามสิชำระกิเลสอ่มันเป็นความดีงามแน่นอนแต่มันไม่ใช่กุศลกุศลก็อีกเรื่องหนึง่งกุศลเป็นความดีงามทั่วไปและในกุศลก็มีความดีงามถึงขั้น เป็นบุญเป็นการชําระกิเลสได้ด้วยนี่มันคือความต่างกันของความกุศลกับความบุญซึ่งเข้าใจซับซ้อนเราเข้าใจไม่ได้ง่ายมันยากและบุญเป็นกุศลไหมไม่เป็นกุศลเป็นบุญไหมเป็นได้กุศลมีบุญได้ถึง อ, อรหันก็ได้กุศลแต่บุญไม่จําเป็นจะต้องไปทํากุศล บุญเนี่ยคือการชำระ ก, กิเลสพอเป็นอรหันต์สิ้นบุญสิ้นบาปปุญญาปาปะปิคีโนไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำบุญอีกเลยทำแต่กุศลกุศลสู้ประสมปทาทำแต่กุศลอย่างเดียวไม่ต้องทำบุญทาแบนอะไรเลยนี่เป็นนัยยะที่อาตมา เขียนยากมากเลยแก้แล้วแก้อีกกาลังจะแ ก, แกความเข้าใจผิดเพราะเข้าใจคาว่าบุญคำเดียวแล้วเอามาใช้ผิดนี่แหละาศาสนาพุทธจึงเสื่อมมาถึงขนาดนี้ขอยืนยันเลยคาว่าบุญคำเดียวนี่แหละเป็นคาที่ทำลายโลกุตตรธรรมทำลายาศาสนาพุทธไปทั้งยวงเลยบุญเนี่ยคำว่ากายก็ยังพอทำเนา การมันเป็นสภาพที่ปฏิบัติแล้วก็ต้องไปใช้มันอีกทีแต่ถ้าเข้าใจคำว่าบุญนี่ผิดเลยเนี่ยมันพาพังไปเลยนะอ่ะพอนะมันเลยเวลาก็ทีนี้ใครจะวิจัยวิจารณ์ใครจะสรุปใครจะถามเชิญอ่ายกมือแล้วเอาไมโครโฟนให้ดิอ่าไมโครโฟนยังไม่มานะไหนไหนอ่ะ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เอ้ายิบมาหน่อยไมโครโฟนมีหลายอันอยู่อ้าวเชิญเอ้าซื้อเล่มนี้ในอำนาจห้าอำนาจห้ามันหายไปไหนชั้นนึ่งดาวนาวมณิยมนะคะนะมันไม่มีคำว่าอำนาจห้ามีแต่คำว่าในสังคม ไอ้เราก็ลืมดูนี่คำว่าอำนาจห้าหายไปเลยมีแต่ในสังคม <c oughs> ไม่มีมีแต่ในสังคมมนุษย์โลกนสังคมมนุษย์โลกคำว่าอำนาจห้าไม่มีเลยเนี่ยเออต่าไงกันเอาไปทิ้งตรงใต้ทุนหไหนไหนเะ่ย <c oughs> โอกาสค่ะ oh oh. เป็นคำถามนะค ะ, ะสมัยพระพุทธเจ้าท่าน oh. ตาสรูเนี่ยท่านก็ประกาศศาสนาแล้วก็ได้บัญจวัคคีในรุ่นแรกนะคะในช่วงที่ช่วงแรกของการประกาศศาสนามายุของพ่อท่าน 36, 36ปีแรกและปีที่สอง ม, มีเหตุปัจจัยอะไรทําไมถึงยังไม่เกิดปัญจวัคคียถึงมาเกิดเเใ น, นช่วง <คน S 2> ที่นามสามสิบหกปีที่สามเนี่ยค่ะมันมีเหตุปัจจัยอะไรค่ะก็เหตุ ป, ปัจจัยแห่งเป็นฐานานุฐานะฐานะอาตมามันจะไปเทียบรุ่นกับพระพุทธเจ้าได้ไงโอ้อย่าให้อาตมาไปมีขี้กรากกินหัวเทียบรุ่นกับพระพุทานานธเจ้าได้ไงมันจะไปเหมือนกันได้ไงไม่เหมือนหรอกก็ได้ตามฐานานุฐานะ เทียบรุ่นไม่ได้ขอพักคนค่ะตอบไม่ยากเราตอบง่ายอ้าใครเมื่อกี้<อ>ได้มือกระโฟน<อ>ไปแล้วโอากาสครับพระธรรมครับพ่อถามไม่ใช่ถามนวครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่พ่อพ่อท่านสอนมาทั้งทั้งสามวิชาโดยที่ความเข้าใจของผมเองว่าเข้าใจแบบนี้ถูกต้องช่วยชี้แนะด้วยนะครับอ้าว พุทธชีวศิลป์นี่หมายถึงเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องจิตเหมือนกับอยู่วัดครับอยู่วัดศึกษาหัวข้อธรรมะหัวข้อธรรมะวันณะเก้าเจโตปริยันต์สังกปะเจ็ดดูภาษานอบภาษาในใกายในจิตในจิตพอเรียนรู้ธรรมะแล้วก็เป็นความรักสิมมิติทีนี้ความรักสิมมิติก็หมายความ่าข้ามข้าความรักแบบมิติเดียวคือรักเธอคนเดียวอะไรเงี้ยก็รัก เพื่อนพ้องน้องพี่รักคนข้างนอกด้วยคือ พ, พัฒนาขึ้นทีนี้ก็มาสู่อันดับจุดท้ายนี้เหมือนซันฆ่าสร้างคนมาวัดผลกันตรงนี้แล้ครับตามที่ผมเข้าใจวัดผลตรงที่ว่ า, เ, าเมื่อปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติรมได้มักได้ผลได้อะไรที่ดีแล้วก็คือมาปฏิบัติเรื่องกรรมที่นี่ครับมาทําเรื่องกรรมกรรมที่ดีคือการทำการทำการงานคือปฏิบัติธรรมแล้วมาสู่การงานที่นี่ คือการทำให้คนมีคุณค่าก็คือการไปทำงานจะเห็นปัจจะจะเห็นอะไรอะไรขึ้นมาก็คือเอาสิ่งที่เรียนรู้ในการอยู่วัดมีความรักอย่างนูนอย่างนี้มาที่นี้มาสู่การงานจะเกิดปัจจัยครึง่งอ่าผมจะเดี๋ยวถ้าพูดมากเดี๋ยวผมจะจะสับสนเดี๋ยวพยายามนะ <laughs> เมื่อปฏิบัติทำได้มกักได้ผลแล้วก็จะอยู่กับกรรมกรรมกับการงานที่มีคุณงามความดีที่พระท่านพูดตะกี้ว่า จะเป็นคนที่มีธรรมะแล้วพอไปทํางานสู่สังคมภายนอกก็จะทำแต่ประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมซึ่งบุคคลเช่นนี้แหละคือจะไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เพราะท่านว่าโลกทุกวันนี้เขาสแสวงหาสแสวงหาบุคคลเหล่านี้นี่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมผมก็จะสรุปว่าจะพูดจะสับสนคือสรุปว่าถ้าข้างนอกเขาจะเรียกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่ถ้าอยู่ในวัดก็คือค่าของคนอยู่ที่ผลของการปฏิบัติธรรม แค่นี้ครับผมเข้าใจถูกไหมครับใช่อธิพูดรวมๆรวมๆมันก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะเข้าใจเป็นสั์เป็นส่วนเข้าใจเป็นเบื้องต้นทำกลางมันปลายอะไรเป็นอะไรดีมันก็จ ะ, ะมันก็จะสะอาดหลุดไปเป็นขั้นตอนเบื้องต้นทำกลางมันปลายเป็นระดับแต่คุณพูดรวมๆรวมๆวมมเ่มมันก็ได้ ต, ตีตีถัว่วเฉยถ้าตีถั่วมากๆนีมันตีกินนะ อ้าวใครอีกครับขอโ อ, อากาสครับอ้าวขอโอากาสค่ะแก่นกันเทียบค่ะก็ังได้ไมโครโฟนนะฝึกฝึกพูดตอนน้าหลวงปู่ครั้งแรกนะคะอ้าวก็สงสัยจะเป็นลูกหลานคนจีนนะคะเพราะว่าชอบกินลูกทอค่ะก<อ>พังหลวงปู่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังท้อทออยู่นะคะเพราะว่า ตอนมาอยู่วัดก็เคยเขียนเขียนจดหมายน้อยไปถามนะคะว่าระหว่างที่ระหว่างที่หนูมาอยู่วัดแล้วหนูรู้สึกว่าหนูฝืนใจมากกับการที่หนูไปถือศีลห้าอยู่ที่บ้านหลวงปู่ว่าหนูควรจะทํำยังไงดีคะเขียนถามเนื่ว่าหลวงปู่จะตอบตามใจตัวเองนะคะหลวงปู่ตอบว่าถ้ารู้ว่าอยู่วัดดีก็ฝืนต่อไปก็เลยได้ฝืนมาห้าปีหกปีแล้วนะคะแล้วก็<อ>มาฟัง มาฟังทำวันนี้ก็ก็ยังคุยกับพ่อบ้านว่าจะไหวไหม่น้อเรียนนะคะรู้สึกกินลูกทออีกลูกนะคะกำลังเขียนวันที่หลวงปู่ก็บอกก็เทศออกมาเลยบอกว่าถ้ามาเรียนแล้วคนที่ไม่เอาก็แสดงว่ายังฉลาดน้อยอยู่ก็คิดในใจสงสัยจะใช่ตัวเองอีกแล้วก็เลยฉลาดน้อยหรือไม่ฉลาดลไม่ฉลาดเลยนะคะ ก็มาฟังสะดุดใจนะคะอันนี้ก็ก็เลยได้เป็นประเด็นที่ได้หัดพูดด้วยแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตัวเองว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะอ้าวสาธุอ้าวเอาเอาละน้าลูกท้อไปกินมันมากเลยครับขอขอโอากาสครับอ้าวเชิญผมนิสิตกล้าตรงครับคือผมเข้าใจว่าเจ็ดชาติยกไว้นี่ก็คือ ขั้นของสังโยชนเจ็ดนะครับกต้องสมมติว่าถ้าเป็นโสดาบันแล้วใช่ไหมครับท่านอ่าก็คือเจ็ 7, 7ดเจดจางนั่นแหละเจ็ด่านนี้ถ้าบนรูปในชาตินี้ก็คือเอกพีชีใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ถ้าถ้าเผื่อว่าสมมติว่าได้โสดาบันแล้วถ้ายังไม่เอาจริงหรือว่ายังไม่เจอสัตว์ปรุษเนี่ยจะเก่าไปใหญ่นะครับ <c oughs> พันสองพันชาติใช่ไหมครับ อ่าใช่เป็นไม่ได้ใช่ไหครับใช่ อ, อย่าเป็นนับเอาชาติเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แต่ละแต่ละร่างร่างชีวิตเท่านี้ครับอ่าอย่าเป็นนับเอาอย่างนั้นคนส่วนมากเขานับเอาแต่แค่อย่างนั้นน่ยมันก็เลยไม่ค่อยจะไปซึ่งไหนขอาการ์ดครับธรรมธรรมนักรบธรรมครับอ้าวอ่าผมเคยาถาม เคยคุยกับของพ่อครูครับที่ว่าสภาวะของพระอาหารหันต์ที่ว่าหลับตาเนี่ยครับแล้วก็คิดว่าเข้าใจว่าพระอาหารหันต์หลับตานี่มันเป็นความสุขสุดยอดของชีวิตแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่พ่อครูบอกว่าถ้าหากว่าจะให้มันเป็นอรหันต์ที่แท้จริงนี่มันต้องลืมตาแล้วก็นี่แหละครับปฏิบัติแบบที่พ่อครูพาทำเนี่ยครับ ทีนี้ผมก็พยายามเอาอย่างที่พ่อครูเนี่ยเพราะว่าเชื่อมั่นว่าพ่อครูนี่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเทียบได้ในยุคนี้นะครับผมก็อลองปฏิบัติดูก็ใช้เวลามาอย่างที่ว่าเนี่ยครับ25ปีอัพขึ้นมาเนี่ยครับก็คิดว่ า, าสรุปได้ว่าอละหันลืมตาเนี่ยมา มันจะเป็นสภาวะแบบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนกับที่หลับตาใช่ไหมครับคนละกคนละเรื่องนั่น ะ, นะครับผมถึงว่าอย่างนี้แหละครับเพราะคิดว่าเมื่อลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราจะมีสภาวะอรหรันคือว่าไม่สุขไม่ทุกข์แต่มันเฉยใช่ไหมครับแบบ อ, อันนีน้ไม่ได้ล้อเรียนพ่อของพ่อครูนะครับก็มันเป็นเฉยโอเคครับถ้าว่าเป็นเฉยผมก็คงคิดว่าผมก็ก็คง พอจะเข้าใจแล้วครับว่ามันเฉยมันเฉยจริงๆครับออ่าครับอย่างนั้นก็อ่าผมเขาผ่านคนนี้ไปก่อนครับทีนี้ผมขอถามอีกสักหน่อยครับว่าอ่าผมผมส ง, สงสัยว่าปัญญากับเจโตนี้ไม่ไมันยังไงครับเพราะยัง ย, ย, ยังยังยั่องใจว่าเอ๊คนที่เขาสามารถที่จะบรรยายได้เนี่ยครับบรรยายได้อ บรรยายได้บรรยายธรรมะเนี่ยครับทั้งอ่านมากทั้งเขียนมากทั้งบรรยายได้เนี่ยแต่การปฏิบัติเขาไม่ได้เลยเนี่ยครับผมว่างั้นนะไม่ได้เลยเนี่ยครับแต่คนที่วบาบรรยายก็ไม่ค่อยได้อบันทึกจำอะไรก็ไม่ค่อยจะดีแต่ว่าสามารถปฏิบัติได้เนี่ยครับ อ, อันนี้มันอันไหนเป็นปัญญาไหนเป็นเจโตครับ<ใน revolt> <survey> ครับ อยากจะถามว่าอันหลังนจะเป็นปัญญาหรือเป็นเจโตหรือว่าอันหน้าจะเป็นปัญญาหรือเป็นเจโตครับคนที่มีปัญญาเนี่ยจะรู้ได้ทั้งนอกและในตามหลักวิโมกแปดหลักวิโมกแปดเนี่เป็นตัวไขตัวเผยตัวยืนยันสัจจะของพระเจ้าวิโมกแปดนี่ในาศาสนาในไหนก็ไม่มี ถ้าเข้าใจไม่ได้เลยวิโมก8แปนี่นะว่าคุณสมบัติของฌานหนึ่งะคือข้อหนึ่งถึงข้อสามอ่าข้อหนึ่งถึงข้อสฌานนี่คือจะต้องรู้รูปรูปีรูปปาีิปัสสติรูฌานรู้รูปอย่างเห็นเห็นเนี่ยนะปัสติแปลว่าเห็นรู้รูปอย่างสัมผัสเห็น ผลรูปที่ว่าเนี่จึงเกี่ยวข้องกับมหาพุทธรูปเกี่ยวข้องกับภายนอกเกี่ยวข้องกับดินน้ำไฟลมเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติเกี่ยวข้องกับทุกอย่างไปข้างนอกที่มันสัมผัสผมก็จะต้องเห็นข้างนอกหลัดหลัดอยู่เป็นปกติจึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาเต็มจึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาเต็ม เพราะฉะนั้นท่านลับตาไปใช้สัญญาการกําหนดรู้ด้วยสัญญาปฏิบัตินั่งหลับตาสมาธิต่อให้คุณปฏิบัติมีอาสวะบางอย่างดับดับอาสวะบางอย่างสิ้นไปได้เพราะเห็นด้วยปัญญาท่านบอกว่าเห็นด้วยปัญญาด้วยนะนะไม่ว่าจะเป็นกายสักขีก็ตามนะจะเป็นสัทาวิมุตติก็ตามนะ จะมีอาสวะบางอย่างเป็นผู้ที่มีอาสวบาา ะ, สะาสวบางอย่างสิ้นไปอาสวะบางอย่างสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาสายสัทธานี่สายสายสัทธามันมีสองสายธรรมานุสารีเป็นสายที่ปฏิบัติอย่างใช้ปัญญาเป็นสายปัญญากับสัทธานุสารีเป็นสายที่ใช้สัทธาสายเจโต มโนสายเจโตจึงเป็นลักษณะปกติเป็นสามัญเป็นลักษณะของพวกที่มีศรัทธามีเจโตปัญญาไม่ค่อยแก่กล้าส่วนธรรมานุสารีย์นี่ปัญญาดีปัญญาแก่กล้าเมื่อกี้อาตามาอธิบายแล้วว่าปัญญาคือสภาพที่ต้องรู้สมบูรณ์ทั้งนอกและในพระธรรมานุสารีขึ้นไปพอผ่านขั้นที่สองเป็นธรรม เป็นทิฏฐิปตะนะบรรลุโสดาบันขึ้นไปเป็นทิฏฐิปตะสายของธามานุสารีเนี่ยเป็นทิฏฐิปตะนี่หมายความว่าเข้าถึงตามทิฏฐิเข้าถึงตามสมาทิฏฐิที่ตัวเองเห็นรู้มีความเข้าใจถูกจึงไม่จำเป็นที่จะต้องอถูกบังคับว่าจะต้องรู้จักวิโมกข์เพราะมันเป็นวิโมกข์แในตัวเขาเองมันมีฌาน าชาญสามข้อนั่นแหละเองมันรู้รูป ร, รู้นามมันรู้ข้างนอกข้างในแล้วมันก็ไม่เคยดับข้างนอกข้างในมันทำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอล่วงไปถึงเ ป, นนเป็นคนในระดับที่6ในค น, ในระดับที่หกเป็นคนในระดับของปัญญาวิมุตต์เป็นคนในระดับของปัญญาวิมุติจึงเป็นผู้ที่อาสะวะทุกอย่างสิ้นแล้ว เห็นด้วยปัญญ า, าอ่าอสวกสิ้นแล้วหมดไม่มีใช่บางอย่างเท่านั้นเห็นสิ้นหมดเหมือนกันกันกบอุปโตภาคเขาไปมดุดอุปโตภาคก็มุด ก, ก็คือหลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้น ด, ด, ด, ด้วยอาาสวะทั้งหมดสิ้นไปนี่ไม่เขียนไว้เนี่ยอ่าอสวกสิ้นแล้วอยู่ข้างหลงังสิ้นอสวกสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาเหมือนกันอ่าเหมือนกัน เจตโตก็บรรุเพราะคนที่อยู่ใใแต่ในใจทำแต่ในภวังมันรู้แต่ใจมันไม่รู้ข้างนอกปัญญาจึงไม่ครบวันที่คุณถามว่าอะไรคือปัญญาปัญญาก็บอกเแต่ต้นปัญญาคือการรู้ของจริงตามความเป็นจริงแห่งการเป็นคนไม่ใช่คนอยู่ในภพคนอยู่ในภพอยู่ในจิตเฉยๆเนี่ยนะมันไม่ใช่คนมันเป็นเรื่องศัพท์ทางวิญญาณ อยู่ในพบอยู่ในจิตจิตในจิตแต่มันคือสัตว์ทางจิตวิญญาณมันไม่ใช่คนคนเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายมีองค์ประกอบของกายสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกทั้งหมดเมื่อเห็นครบก็จึงถือว่าเป็นปัญญาที่ถามประเด็นคําว่าปัญญาคืออะไรแต่ตระ ก, กูลทังคนมันมีสายศรัทธากับสายสายปัญญาแต่สายปัญญามันก็ เข้าใจมีสมาธิแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นส่วนสายศรัทธานึ่งแม้จะฟังยังไงก็ไปถนัดทางนั่งหลับตาทางอะไรใจทางที่ไม่ค่อยเอาฐานกับทางข้างนอกจะมีวิโมก8ก็วิโมก8ไม่ไม่ไม่ส ม, ม, มบูรณ์พระพุทธเจ้าต้องต้องกำชับกังชาว่าแม้คุณจะมีภูมิธรรทั้งขัน้นกา ย, ยสักขีคุณก็จะต้องรู้จักกายสัมผัสวิโมกด้วยกายเอาคาว่ากายคานี้ยิ่งใหญ่มากเลย ต้องมีกายะวิญญาณรู้จักกายะวิญญาณรู้จักกายะสังขารนะสังขารมีอีูสังขารคือกายสังขารมจีสังขารมโนสังจิตสังขารสาสังขารนี่คุณจะต้องรู้กายสังขารสมบูรณ์เลยนะต้องเข้าใจกายสังขารอย่างบริบูรณ์มันถึงจะครบถ้าไม่มีกายไม่รู้จักคาว่ากายคาว่ากายอีกคำหนึ่งที่อาตมากำลังพยายามแจกแจงอยู่เนี่ย ากายเยนะผลิตวาเนี่ยจะต้องเห็นด้วยองค์ประกอบทั้งหมดเลยอัตถวิโมกเคก็คือวิโมกแปดต้องสัมผัสเห็นาสาเร็ดอิริยบทอยู่วิหรารติและด้วยปัญญาปัญญายะาจัดสทิสวาก็แปลว่าเห็นเหมือนกัน อ, อันนี้ของอของกายสักขีอาสวะบางอย่างเอกจโจเอกเจเพราว่าบางอย่าง เอกเจอาสวะบางอย่างดับไปปริคีโนปริคีนาโฮนติมีคุณสมบัติอย่างงั้นแหละ อ, ะอธิบายจบแล้วขอบพระคุณครับอขออีกสักหน่อยครับคือในหมู่พวกเราเนี่ยครับมันจะมีลักษณะที่ว่าเราคบคุณกันนี่ก็พะจะอจะรู้ว่า พอจะเป็นเป็นไปได้อะไรพวกนี้นะครับและทีนี้ว่าก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างนี้มันมันเป็นไปได้จริงไหมครับคืออ่าอีกอีกคนหนึ่งเขาสามารถที่จะรู้แม้กระทั่งการหายใจเข้าออกได้เนี่ยตลอดเวลาเลยเนี่ยครับแล้วคิดว่าลักษณะหนึ่งเนี่ยจะถือว่าบรรลุสุดยอดไหมครับ แล้วก็ส่วนไม่ไม่ยอดหรอกฮะไม่ยอดก็คุณฝึกให้มันจิตจดจ่อลมหายใจเข้าออกคุณก็ชํานาญเป็นการชํานาญในการฝึกชนิดหนึ่งทนเองลมหายใจเข้าออกมันก็ฝึกได้ก็ฝึกเก่งได้เท่านั้นเองรู้ตัวตลอดเวลานะครับอ่ารู้ตัวนี่แล้วคุณรู้หายลมหายใจตั้งหากคุณรู้ตัวรู้ตัวกับลมหายใจเท่านั้นแต่ของพุทธเนี่ยมันรู้ตัวเนี่ยมันรู้คนนอกด้วยรั่วด้ยอะไรด้วยไม่ใช่รู้ลมหายใจ รู้ตัวลหาใจเราว่าเดินตกบ่อนะอออเดินตกลุมตกบ่อเดินชน อ, อ, อ, อันนี้ไม่ดีเดินชนรถยนต์เขาตายก็ได้ครับครับมันไม่รู้ภายนอกไ ม, ไม่รู้สิ่งข้างนอกมันชํานาญผิดกันชํานาญจตลมหายใจเนี่ยโหตายง่ายด้วยครับครับเผลง่ายด้วยครับครับอันนี้ผมได้ฟังมาเขาอาว่าเขามีมีมีมอาการ ก็คุยองเขาเอง<ข>อครับขาคุยเขา <อ S 1> เองขอบพระคุณมากครับแล้วก็มีอีกคำถามครับคือว่าลักษณะที่ว่ากับไม่ได้รู้ตัวอะไรได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาสัมผัสกระทบอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะว่าจะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานี่ก็สามารถที่จะปรับสภาพแบบเร็วแบบเหมือนกับที่ว่า เหยียดแขนออกคู่แขนเข้าเนี่ยเราสามารถที่ว่าพอจะรู้ขนาดนั้นได้นี่ลักษณะนี้มันถือว่ามันพอจะถึงถึงสุดยอดได้ไหมบ้างัหมครับได้ได้ได้ได้ได้ได้อาการเร็วเร็วขึ้นเทียบกับคู่แขนเข้ารู้แขนออกกนได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันสมบูรณ์จริงแล้วมันไม่ต้องไปเสียเวลาคู่แขนออกแขนเข้ามันได้ทันที มันได้ทันทีเป็นอัตโนมัติทันทีคู่แขนเข้ารูแขนออกเยอะมากว่ามันยังเกิดยังดับไอ้นี่มันไม่มีเกิดไม่มีดับถ้ามันไม่ต้องคู่แขนออกแขนเข้านี่มันไม่เกิดไม่ดับแล้วก็ต่างกันเท่านั้นเองครับพอคูไปเรืองนี้ก็ดีก็เก่งขึ้นเรื่อยครับแต่ยังไงยังไงก็แม่โหก็จะยืดแขนได้ก็จะเอาแขนเข้านี่มันกชามันก็นานแต่ยื้อแค่เอาแขนออกคู่แขนเข้ามันก็เร็วก็ดี ครับแต่ไอการไอนั่งทำสมถะทำไอหลับตาเนี่ยก็จะทาอยู่ตลอดใช่ไหมครับทำก็ได้ทาจะทําคุณทำาอย่าไปติดมันกันแลวกันมันชวนติดเก่งนั่งหลับตาในชวนติดเก่งเพราะว่ามันเป็นสุขวิหารธรรมมันเป็นที่อยู่มันเป็นที่อยู่ของสุขสงบสุขสมถะ สุขที่เกียรติสุขอยู่เฉยๆสุขอยู่กับภพบสุขกอยู่อัตตาตัวเองมันไม่ได้มีความเป็นสา ม, มัญของปกติมนุษย์มันจมดิ่งอยู่ในตัวเองนะมันก็พักแล้วมันก็เสพมันตีดเป็นสุขขวิหารธรรมอ่ามันสุขอยู่กับนิ่งๆอยู่กับภพบอ่ออ่าอันเนี้ย พรอาตมาก็เคยอธิบายมาแล้วว่านั่งสมาธินั่งหลับตาเข้าไปเนี่ยมันมีประโยชน์หนึ่งสุขวิหารธรรมสองศึกษาศึกษาจิตเจตสิก ต, ต่างๆในภาวะนั้นสใช้เตวชิชโชตรวจสอบทบทวนอะไรๆทั้งธรรมะสก็เอาพลังมันเกิดพลังรวมพลังของจิตพลังจิตรวมรวมแล้วเอาไปใช้ทางโลกิยะได้เหมือนกันอันนั้นของพูธไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช้แต่พูดให้ครบอธิบายฟังให้ครบเท่านั้นเอง ก็จะใช้ก็ใช้เป็นประโยชน์สอย่างเนี่ยหนึ่งเสพพักพรอนสุขวิทยธรรมสองศึกษาจิตเพิ่มเติมสก็เป็นเทวิชโชส่วนข้อ4นั่นก็อธิบายให้ทราบเท่านั้นเองไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมเราอยาไม่ส่งเสริมเราบริพารโดยพุทธเจ้าทำบริพารเลยเอาจิตไปใช้ทางนิจทางทางพลังงานถ้าไม่ไปฏิเสธว่ามันไม่มีมันมีแต่พุทธไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวมีขนาดมีไม่ให้แสดง แสดงปรับอบัตเลยภิกษุมาบวชแล้วมาแสดงปรับอบัต น, นี่เป็นตน้นกรบาบขอการค่ะพ่อครูคมีคำถามนิดนึงนะคะไม่แน่ใจก็คือที่พ่อครูบอกว่าสโสดาปฏิผลมีสระดับโสดาปณะอวินิบาตาธรรมนิยตสัมโพธิปรายณนะแล้วแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่25 50 75เปอร์เนยหนึ่งนะคะ แล้วพ่อคูบอกว่าโสดาบันนั้นมี8ดหลักหรือลักษณะคําว่าแปดนี้คือสี่ที่พูดข้างต้นนั้นคือมาต่อท้ายใช่ไหมคะส<ล>่วนสีอันแรกนั้นหมายถึงอะไรคะสี่อันแรกหมา ย, ยาถึงท้นอบัาายภูมิศีหรือว่าปฏิบัติตามอริยสัจ<ะ>สี่คะอริยสัจ4ีไงสี่อันแรกอริยสัจสีสี่อันแรกแล้วก็มาต่อกับมาต่อกับ โซตปาณะอาวิาวนิปาทธรรมนิยตละสัมปทิปไรน ะ, นนะแต่แต่ในอริยสัจสี่นี้มันก็ต้องพ้นอบายภูมิสี่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะพ่ออ๋อใช่สิ <ฮะ S 1> อริยสัจสในกรอบของอบายกรอบอบายค่ ะ, <ฮ>ะในกรอบของอเรียกว่าสมบัติที่จริงไม่เรียกว่าสมบัติรเรียก ว, วิบัติวิบัติส่ม่สมบัติ ว, วิบัติ่ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขึ้นระดับสูงเป็นสักการะคามีก็ดับพวกนี้ได้หมดก็ดับพวกนี้ได้หมดลบอบายได้หมดหมดอบายนี่เลยก็ไปเหลือกามเหลือปฏิฆะเลืออะไรอะไรไปเสืงโยดเบื้องสูงขึ้นไปเป็นภพของอนาคามีเป็นกาสมาภพเต็มๆกาสมาภพนี่แหละมันมีอบายของชั้นต่ําของกาสมาภเรพลว่าอบายพอดับอบายได้ก็เหลือกามาภพที่สักกาคามีต้องให้มันหมดไปจนกระทั่งหมดกาสมาภพก็เหลือรูปภพรูปภพ ขอบพระคุณค่ะอ่าใครอีกถ้าไม่ไมีแล้ว ก, ก็เดี๋ยวให้ทางด้านสมณะเดี๋ยวเวลาอีกประมาณ20่สนาทีได้ไหมอ่าไม่มีก็สมณะนักบวชชิกมาศและ20สินาที กลับขอาการเพราะท่านท่านสมนะพันเตมโสดคเจริญธรรมพวราทุกคนนะคะค่ะในช่วงต้นที่พ่อท่านพูดถึงเรื่องของพระโสดาบันนะคะมาก็นึกถึงสมัยพุทธกาลอ่ะนะคะว่าคื อ, อหลายท่านนี่ฟังทำกันเดียวก็บรรลุปเป็นพระโสดาบันอย่างพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็ฟังคําแค่ประโยคเดียวนะคะทุกสิ่งเกิดแต่เหตุ พระตถาคตรทรงตรัสสอนให้ดับที่เหตุนั้นก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะคะหรือว่าพระสาวบรหลายรูปนี่ฟังทำกันเดียวก็เป็นพระราหัสถ์เลยก็มีนะคะก็เลยมา น, นึกถึงว่าเอ๊ะอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมกับพ่อฮั่นนี้นะคะอย่างเบื้องต้นที่พวกเราห ย, ยาบหยาบอะไบรยมุกหรือเป็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็รเรื่องที่ที่เป็นสกักายะหญ่หยาบหยาเนี่ยพวกเราก็จะละได้โดยง่ายนะคะ อยากจะเรียนถามพรอท่านน่ะ น, นะคะว่าคือที่เราเบื้องต้นที่เราปฏิบัติได้โดยง่ายหรือว่าจะเลิอกอับายมุกหรือว่ากินเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคะที่เราทําได้โดยง่ายนี่เพราะว่าเรามีพื้นฐานมาก่อนใช่ไหมคะเหมือนกับที่พระสมัยพุทธกาลที่ท่านฟังทำกันเดี๋ยวก็บรู้ทรมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะ ก็เลยคิดต่อนะคะว่าคือโดยเบื้องต้นโดยพื้นฐานแล้วก็พวกเราโดยส่วนมากก็จะทํากันได้โดยง่ายนะคะแต่พอคุณทําที่ระดับสูงขึ้นนี่ก็รู้สึกมันหมันยากจังเลยเนาะมันต้องปีนมากเลยกรรมคุณโลกธรรมอพอมาเรื่องของกรรมคุณเรื่องของโลกธรรมนี่ยมันต้องฝึกฝนอย่างอย่างขนานหนักเลยนะคะค่ะแต่ก็ยังไม่กินลูกทอนนะคะค่ะเพอรู้สึกว่าเออคือ หมู่มิดีสหายดีที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องกินลูกท้อเวลาเราท้อขึ้นมาก็นึกถึงเพื่อนพ้องพี่น้องได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะออีกประเด็นหนึ่งนะที่ฟังวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าที่พ่อครูเอาเรียกอะไรละ่ะอํานาจห้าในสังคมอื ม, มนุษย์โลกนี้มาอ่านนะคะ อ, อำนานในสังคมมนุษย์เสียโลกคือมีความรู้สึกว่า เพราะครูจะอ่านเกมขาดตลอดเลยนะคะถ้าเราติดตามอ่านหนังสือเราคิดอะไรมาทุกยุคทุกเล่มนี่แต่ละเล่มแต่ละเดือนนี่ในนั้นจะมีทั้งชี้ทางออกของสังคมมาตลอดเลยนะคะทุกทุกทุกฉบับเลยมีความรู้สึกยังไงอะไรนะคะทํำไมคุณรู้อะก็ <c oughs> <c oughs> คือไม่รู้สึก <c oughs> คือยิ่งมาฟังฉบับวันนี้นะั้นมีนยิ่งมีความรู้สึกว่ามันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็นึกถึงว่าถ้าคอสช ขอพายเดี๋ยถึงขสชนั้นมามาได้ได้มาอ่านได้มาฟังอ่ะนะมีความรู้สึกว่ามันจะช่วยสังคมประเทศชาติได้อย่างมากเลยเพราะว่าคือถ้าเขามีธรรมา น, นะมวลมหาประชาชนช่วยเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คือยิ่งถ้าเขามีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถนี่แล้วมีเงินมีอํานาจอีกโอ้โหประเทศไทยมันจะไปได้อย่างอย่างสุดยอดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็มา <c oughs> นึกถึงพ่อครันะพ่อครูก็มีอํานาจโดยธรรม มีอำนาจนะแล้วก็มีมวลก็จะมีมวลระดับนึงระดับอย่างพวกเรานะคะแล้วก็พูดถึงแม้กระทั่งระดับอย่างพวกเราก็ยังพวกเราก็จะมีความรู้ความสามารถระดับหนึ่งนะคะแล้วก็แม้เงินไม่มีแต่งานที่พวกครูดํารินี่สำเร็จไหมคะก็สําเร็จนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้อํานาจที่ไปไปข่มแบ่งไปบงังคับให้พวกเราทําเลยแต่พวกเราทําด้วยความสมัครใจทําด้วยความเต็มใจอย่างยุคนี้ตอนนี้ที่บัณฑราก็มีงานงานเร่งด่วนที่ว่างานที่โรงปุ๋ยนะคะ ก็พักที่บังคับไม่มีการบังคับกันไปทําเลยนะคะเพียงแต่ว่าพวกเราก็เห็นความสําคัญในสิ่งที่ความในสิ่งที่ควรสําคัญเพราะว่าน้ํากําลังจะมาใช่ไหมคะคือหลายคนไปก็รู้สึกเออไม่น่าเชื่อคนนี้จะไปด้วยอย่างเช่นขอภัยยกตยัวนะอย่างนอยคุณเกรดดินไปนะะไปทุกวันเลยนะคะไปแต่เช้าอย่างบางวนบอกว่าฉันไปแต่เช้าเรื่ที่รีบกินข้าวเสร็จีไปไปทำไปทําขนปุ๋ยเสร็จแล้วก็ไม่ได้แปรงฟันเลยนะคะโอ้กลับมาแปรงฟันอ้า แปลงฟันก็ไม่เป็นไรในเช้ากันว่าับเช้าๆเคยแปลงฟันหรอกฟแปลงกินข้าวเสร็จแล้วก็แปลงของคนเดียวค่ะคือมีะมอะไรพ่อไม่ได้กินอะไรต่อกินข้าวเสร็จแล้วก็จบแปลงฟันแล้วก็เลิกค่ะคือไปเห็นบรรยากาศอย่างวันนี้พวกเราก็ไปช่วยเยอะนะสี่พวงนะคะคือมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีทุกเพศทุกวยัยมีทั้งจบป .4 จบปริญญาตรีโทเอกนะไปเรียกว่าไม่มีการแบ่งชั้นบัณนฑนานนะคือเรียกว่า ไม่ว่าคุณจะจบอะไรมานี่แต่ว่าก็ทำงานชิ้นเดียวกันนะฮะเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจนี่ก็คือผลงานของพ่อครกครูที่ท่านมีทำใช้ทำป็นอำนาจนะก็รู้สึกว่าประทับใจมากกับการฟังเทพวันนี้ค่ะแค่นี้ค่ะอ่าอาใครต่อสิทธิมีใครอิฟสิมาขอขอน้อมกราบค่ะราชการพ่อครูราการสมณะพันเตยวุโสสิทธมาทุกทุค่ะเจริญธรรมสิทุกท่านค่ะ เสริมต่อเลยนะคะพ่อคะการที่ทุกคนไปช่วยกันทำลงปุ๋ยเข็นปุ๋ยนะคะก่อปุ๋ยอันนี้เรียกว่าเป็นกุศลใช่ไหมคะมส่วนบุญนั้นเป็นกุศลถ้าคุณเข้าใจว่ากุศลเนี่ยมันมีโลกุตระด้วยคุณปฏิบัติทำมรรคองแปะโพธิปักขีทำาม37เป็น คุณทำงานก็เหมือนมักงกรแปดสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะทำงานงานอาชีพงานอะไรอยู่เนี่ยมันก็ละ ก, กิเลสไปในตัวด้วยอ่านกิเลสไปในตัวด้วยได้พร้อไปกุศลไปด้วยแล้วก็ลดกิเลส ด, ด้วยนะฉะนั้นก็ได้ทั้งบุญและกุศลในตัวเลยใช่ได้ไบุญทั้งแรกบุญทั้งได้กุศลในตัวค่ะเข้าใจว่าบุญนั้นคือส่วนตัวกุศลนั้นคือส่วนรวมอืม ไม่่ใชบุญนี่จะเรียกว่าบุญส่วนจะบอกความดีงามส่วนตัวก็ใช่บุญเพราะวังละกิเลสเป็นประโยชน์ตนส่วนกุศลนั่นเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพร้อมกันเพราะว่าปฏิบัติธรรมอาวุจนานปฏิบัติได้ประโยชน์ได้ทั้งสองส่วนได้ทั้งประโยชน์ตนเป็นตัวพร้อมกันคุณไปทําอาชีพคุณไปช่วยทํางานปุ๋ยคุณก็อ่านกิเลสได้ก็มีการสัมพันธ์การเกี่ยวข้องการอะไรใรโอ้โหจะเกิดกิเลสเราขี้เกียจก็ขึ้กิเลส แ, แล้วเรา มีเหตุปัจจัยคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยถูกใจหรือว่าชอบใจหรือว่าอะไรกันแล้วแต่ว่าเกิดโลกโลกรธโกรงอยู่ในนั้นน่ะคุณก็สามารถรู้ได้คุณก็รู้ทันคุณก็ปฏิบัติประทันทีเพราะธรรมองพระเจ้าในปฏิบัติทันทีในขณะมีป ฏ, ป ฏ, ปฏิในขณะที่มีทุกๆ ก, กรรมกิริยาสังกป ร, ปรวาจากกัมมาอาชีวะฉะนั้นก็บุญและกุศลนั้นก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหมคะ ถ้าเผื่อว่ากุศลบุญไปได้กันแต่ถ้าเผื่อว่าคุณไม่ได้ไปทำคุณงามความดีให้ใครเลยคุณอยู่คนเดียวของคุณเลยคุณก็ทำงานของคุณคนเดียวไปไม่ได้ไปทมให้ประโยชน์กับคนอื่นเลยทำประโยชน์ของคุณเองเท่านั้นแล้วคุณก็ได้ละกิเลสไปในขณะที่คุณทำประโยชน์ของคุณเองนี่แหละในตัวเองงานใดของคุณเองจะเอี่ยวแค้นไกวขาทากิจนั้นกิจนี้กิจอะไรส่วนตัว ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใครหรือแม่แต่คุณจะปลูกข้าวปลูกพืชอะไรเพื่อกินของคุณเองคุณไม่ได้เผื่อใครอ่ะคุณก็ไม่ไทําอันนี้มันก็ไม่ได้ทําเผื่อใครแต่คุณก็กินของคุณเองแต่คุณก็มีการรู้ตัวลด ก, กิเลสได้เองคุณก็ได้แต่เฉพาะบุญของคุณนี่ไม่มีกุศสไม่มีคุณงามความดีอะไรไปเพื่อแพร่ใครเลยมันไม่มีผลไปถึงใครฟังพระท่านว่า เมื щ щ ่อจบอรหันต์แล้วเนี่ยก็จะทํากุศลต่อไปก็ทํำกุศลเพราะว่าธรรมดาถ้าอรหันต์หรือว่าพระอริยะของพุทธนั้นมันปฏิบัติมาโดยทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตั้งแต่ต้นมาแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งจบประโยชน์ตนมันก็เหลือแต่ประโยชน์ท่านเป็นที่เลยส่วนคนที่งงงแงงมาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ไม่ค่อยเกี่ยวก็คล้ายทำแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนคืออุปยัต t h อ่าเอาไม่ใช่อัตต t h อัตถะประโยชน์ตนมีแต่ประโยชน์ของตัวคนเดียวลดกิเลสของตนเองได้คนเดียวมันก็ไม่มีอะไรแม่งานการที่ทําก็ไม่ได้เผื่อแผ่ใครแต่ก็ได้ประโยชน์ตนเท่านั้นเองเหมือนอย่างนกนูปูปีก็ะไรมันหากินขอมันมันก็ทําประโยชน์ของมันตัวเองคนเดียวมันหากินของมนคนเดียวตัวเดียวไม่เกี่ยวกับใครไม่ได้ประโยชน์ให้แก่ใครแต่ถ้ามันละกิเลสเป็นมันก็ได้ประโยชน์ตนนะมันไม่มีประโยชน์กับใคร สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแหล่เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่ทําตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานทําได้แต่ประโยชน์ตนจะอาศัยกินใช้ไม่เบียดเบียนใครมันก็สร้างของคุณเองกินเองคุณก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมันหากินของมันก็ดิ้นดลมันก็ภาคเพียนหากินของมันเองมันไปเบียดเบียนใครก็ไม่เคยได้มันก็ต้องหากินของมันเองมันก็ได้แต่ประโยชน์ตนทางด้านธรรมหากินทางอาชีพและมันทรวดกุหลดกุเรศเป็นมือนก็นี้ประโยชน์ตนเหมือนกัน อะไอีก ป, อประโยชน์เลี้ยงตนเองให้ยังชีพมันก็ได้ของตอนแล้วมันก็ไม่ได้เผื่อแผกใครและประโยชน์ที่ละกิเลสได้มันก็ได้ประโยชน์ตนนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าได้จะทามาหากินเหมือนคนโลคีมันไม่ได้ลดกิเลสเลยมันไม่มีประโยชน์ตนไม่มีประโยชน์ท่านอะไรเลยเช่นมันทำงานแล้วกว็ตัวเองก็อาศัยกินของตนเองนี่ น, ะ, นะตัวเองไม่เบียนใคร แต่มันเอาผลผลิตนี่ไปทําไปใช้ประโยชน์มันเอาไปรีดนาทาเร้นเอาไปขูดรีดเอาไปทําอะไรอะไรกับคนอื่นอีกยกตัวอย่างอย่างข้าราชการเนื้อว่าคนที่โดยระดับสูงเนี่ยมันเอาประโยชน์ของตนเองไปเกินกว่าจริงไปอีกขี้โกงโลกขี้โกงสังคมเจอะเลยเพราะตั้งเองและอัตราส่วนนั้นเอาเปรียบมากมายมันไม่ได้เป็นประโยชน์ผู้อื่นเลย มีแต่บาปกับบาปมีแต่กิเลสมีแต่นี่นี่วิบากเยอะแยะเลยแต่เขาไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นนักไม่ใช่นักการเมืองหรือแม้แต่คนเอกชนหรือว่ารัษฎรที่ไม่รู้ก็เหมือนกันต่างคนแต่มันจนนํานนตรงที่วัตถกเขาเอาเปรียบมันก็เลยมีผู้เสียเปรียบเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ถูกเอาเปรียบเสียเปรียบโดยจนนํานวนโดยจำยอมเนี่ยมันจึงเป็นการ ได้กุศลหรือว่าได้มันไม่ได้บุญหรืไม่ได้ล้างกิเลสได้กุศลเล็กน้อยความจริงเนี่ยมันจำนวนมันจำเป็นมันไม่มีทางเลือกสู้ไม่ได้นะโดยความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์ให้แก่คนอื่นแต่โดยสัจธรรมมันเป็นโดยสัจธรรมคนที่เอาไปมาขูดรีด ข, ขูดรีดเข้าไปคนนั้นก็เป็นหนี้แก่คนที่รีดไป โดยเศรษฐธรรมกรรมบาปมันก็ซับซ้อนพวกนีนะ้อธิบายยากมากเลยฟังแล้วนะคะก็ขอสรุปได้ว่าชาวอโศกเหล่านี้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปพร้อมกันถูกต้องทำบุญทํากุศลไปพร้อมกันถูกต้องทำบุญทา ง, ทางโลกนี้นเอาแต่เอาอย่างเดียวเอาส่วนตัวอย่างเดียวไม่ได้ทําบุญและกุศลเลยใช่แต่ก็บอกมาทํามหากุศลไป ท, ทํากรถินผ้าปลาเยอะแย ะ, ยะอะไรนั่นค่ะก็ไม่ใช่บุญฝ่ายเดียวอ อาจจะเป็นบาปด้วยซ้ําไปค่ะเพราะฉะนั้นพ่อท่านคราวนี้รู้สึกว่ามันกับธรรมะของพ่อนี่เมื่อก่อนนี้วังสวิรัติก็ว่ายากแล้ว <c oughs> นะคะแล้วมากําไรค่ะทุนขาดทุ น, ทนคือกําไรมันกลับหัวกับหางทางโลกียะมากเลยนะคะรู้สึกว่ามันคุณละเรื่องเลย <c oughs> เคราวนี้มาอีกระดับหนึ่งเลยค่ะจะเป็นเศร้าที่สามหรือเปล่าไม่ทราบนะคะว่าบุญโอ้โห หมดบุญแล้วนะคะก็นึกว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเทนนี่แตการบมดบุญก็คือถึงขั้นอรหันนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยค่ะที่จะบอกเขาว่าคุณหมดบุญแล้วเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยเป็นพระอรหันเลยฟังแล้วมันกลับหัวกลับหางโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยสึกว่าควรจะเข้าใจเพราะท่างจะมีอะไรมาให้เรารู้สึกว่าต้องทําอีกอะคะ่ะทํามากกว่านี้เดี๋ยวไว้คอ่อยอ่านหนังสือค่าบุญคือบาปจะกระจ่างกันนี่เยอะเลยนี่พวกเราปูพื้นนี่อาตมาทิบาในปูพื้น ไปอ่านคาบุญคือบ่าวแล้วรับรองเลยฟังแล้วต้องโมทนาผู้ที่ผู้ที่มามนรวบรวมเรียบเรียงกันมาเยอะไอม้อไอมาพูดนี่มันไม่ไม่ใครอันนั้นมันไม่เจ็บไม่หมดก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนว่าทุกคนมานี้มาสู่โลกตรรุตละทั้งนั้นเลยโมทนาขอพระคุณพ่อท่านมากเลยค่ะอ้าว อ, อีกเลยได้อีกอออกลับนพัธการ พ, พ่อท่านแล้วก็ท่านสํานักสุธขมาทตยค่ะ ค่ะก็เรียกว่าเลดไปถึงสิบห้าได้ยอย่างน้อกก็สิบอยู่แล้วฟังธรรมะพ่อท่านมาเนะะี่ยฮะรู้สึกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าธรรมะของชาวโศกที่พ่อท่านสร้างเราขึ้นมากันเนี่ยนะคะสรรค่าสรรสิ่งที่มีค่ามาสร้างพวกเราให้เป็นมนุษย์โล ก, กุตละเนะะี่ยค่ะ ท่านไม่ได้สอนแค่ลดละกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นนะะจะบอกให้เราได้อย่างว้างรอบทวนเลยนะคะทำให้เราเได้เห็นโทษภัยของโลกนี้นะะมหาอานาจเออยอะไรเอยนะะชัดเจนเอ่อต้องขอพูดว่าเชื่อมั่นว่าไม่มีวัดไหนนะคะพูดได้ว่างไกลรอบทวนละเอียดได้ขนาดนี้นะคะการที่เราได้รู้ ทั้งโลกนอกและการลดละ ก, กิเลสภายในเนี่ยทำให้เราเห็นภัยในวัฏะสงสารค่ะแล้วเราก็รู้ชัดเจนเลยว่าโอ้โหราบยศสรรเสริญโลกีสุขนี่เป็นภัยอันตรายอย่างมากมายเราก็จะไม่เวียนกลับค่ะในเมื่อเราเห็นชัดเจนแล้วแม้กิเลสอาจจะบางคนอาจจะมีดิ้นออกไปอะไรเงี้ยแต่ก็จะถ้าฟังทำไปบ่อยๆแล้วก็ลดละ ก, กิเลสตัวเองได้เนี่ย มันจะมีตัวที่บอกว่าไปแล้วจะเป็นยังง น, นนะไปแล้วจะเป็นยังง้นนะแล้วเราจะไปทำไมนะะมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างที่พวกเราปฏิบัติทากันมาแน่นอนก็ต้องผ่านโสดาบันกันมาก่อนถ้าเราผ่านปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งนะเราจะขยันมากขึ้นเราจะมีจิตใจที่แบบอยากช่วยเหลือผู้อื่นนะะประโยชน์ของผู้อื่นมีอะไรมันมันรู้สึกเลยนะคะรู้สึกตัวเลยว่า เอออยากช่วยผู้อื่นมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยนะคะชุมชนของเราชาวโสวไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยที่พ่อท่านบอกว่าจนแต่มีอยู่มีกินเนี่ยใช่เลยค่ะอย่างข้างนอกเนี่ยเขาจะบอกว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยกลายเป็นว่ามักน้อยแล้วก็สันโดษคือแบบอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรแต่พ่อท่านจะสอนแบบชัดเจนนะคะเป็นให้เราเห็นสมาธิเลยว่าเรามักน้อยกินน้อยใช้น้อยแล้วแต่เราขยันนะ มันต้องอ่านธรรมะไปจนถึงข้อสุดท้ายเนี่ยต้อง โ, อโหขยันด้วยนะคะวิทยาลัพะอีกนะคนมนุษย์พัฒนาเก้าประการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยโอ้โหละเอียดละออมากเลยค่ะพวกเรานี่โชคดีมากนะคะที่มีพ่อท่านเนี่ยได้มาบอกอะไรอย่างชัดเจนศิคมากฟังมา30บกว่าปีแล้วนี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหปีนี้พ่อท่านชัดชัดชัดมากจนกระทั่งเรียกว่าโอ้โห คำว่าสรรค่าสร้างคนเนี่ยอ่านมาตั้งนานแล้วนะหนังสือเล่มเนี้หน้าปกยังไม่เคยเข้าใจเลยคราวนี้เข้าใจชัดเจนเลยท่านสรรทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีมาให้เราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์โล ก, กุตละแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือโลกด้วยนะคะตอนที่สิคามาใหม่ๆเนี่ยประทับใจาศาสนาพุทธที่บอกว่าเป็นพระหุชนะหิตตายะพระหุชนะสุขายะโล ก, กัมปังนุ ก, กัมปายะอันนี้เป็นตัวที่ตัดสินเลยว่า มาแน่มาตรงนี้ดีกว่าน ะ, ะไม่ได้แล้วเราจะรักคนคนเดียวไม่ได้เราต้องมาเพื่อมวลมนุษยชาติรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถูกใจมากนะคะอันนี้เราทุกวันนี้พอท่านก็ทําให้พวกเราเดินตามมารคมีองค์8ได้แบบนี้เลยนะคะแม้ในสรนค่าสร้างคนที่เหมือนกับไม่มีภาษาธรรมะเลยแต่นั่นคือมารคมีองค์8มีทั้งสัมมารกรรมันตะสัมมาชีวะพั่งพร้อมบริบูรณ์อยู่ในนี้นะคะครบบริบูรณ์เลยค่ะ เพียงแต่ว่าเราจะทําได้แค่ไหนเท่านั้นเองค่ะกลับขอบาารพระคุณค่ะกลับขอโอกาสครับอ้าวทีนี้ฝ่ายมนาันนั่ก็พ่อครูบอกว่าการปฏิบัติธรรมใจนั่งหลับตานี่เขาก็จะได้สมาธิมาก่อนอได้สมาธิมาก่อนฌานใช่ไหมต้องทําจิตให้เป็นสมาธิก่อนถึงจะได้ความสุข ถึงจะได้ฌานในทีได้ฌานสี่พอสายสายนั่งหลับตาทำสมาธิเนี่ยจะไม่มีรายละเอียดของจิตจะไม่เห็นความอนิจจังของจิตที่มันตากระทบรูปแล้วเกิดอนิจจังหูกระทบเสียงแล้วเกิดอนิจจังจะมีจะไม่มีรายละเอียดความต่งสองด้านของจิตที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเพราะนั่งหลับตาได้สมาธิก็ไปทำฌานแล้วก็เกิดเป็นสุขเห็นไหม แต่พอตากระทบลูกก็เลยไม่มีรายละเอียดว่าออจิตเนี่ยมันมีความต่งอยู่สองด้านความไม่เที่ยงของจิต เ, เขาจะไม่รู้จักเลยแต่พ่อครูพาพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเรียนรู้จากอของจริงคือทำฌานให้ได้ก่อนเราจะมีความสุขจากฌานที่เรานี่แหละตากระทบลูกจมูกได้กลิน่นลิ้นกระทบรสแล้วก็เกิดฌานขึ้นเกิดเป็นความสุขเกิดเห็นอาการของจิตที่มันไม่เที่ยง มันไม่เป็นมันเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วเราสามารถที่จะมีการปฏิบัติธรรมมักมีองศ8ที่อาศัยว่าเราเห็นชัดเมื่อไหรที่เราทํากุศลอาจจะมาว่าเมื่อไหรที่เราทํากุศลเนี่ยเราเราได้ลดกิเลสด้วยมันก็จะเกิดเป็นฌานใช่ไหมอาศัยกุศลเนี่ยสร้างอาศัยเหตุปัจจัยเนี่ยของกุศลเนี่ยสร้างความสุขให้กับเรายิ่งทําเราก็ยิ่งได้ลดกิเลสแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราทํากุศล แล้วเราไม่จะลดกิเลสจิตของเรามันก็จะเดี๋ยวไปกระทบนั่นเดี๋ยวก็เป็นสุขไปทบเดี๋ยวกระทบนี่ก็เป็นทุกข์มันก็เวียนวนอยู่ในวัตฏะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็ น, ปนสุ ข, ขอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสร้างกุศลแล้วเราจะลดกิเลสไปด้วยจิตของเราก็จะเกิดความตั้งมั่นที่มันไม่เป็นสุขทุกข์ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเราก็จะได้ความสุขไปกับการทํากุศลได้ฌานไปด้วยได้ทากุศลไปด้วยผมว่าตรงเนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลย เพรา ะ, ะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ชัดเจนแล้วเรามีการปฏิบัติทั้งทํากุศลด้วยทั้งในลดกิเลสไปด้วยเนี่ยเราก็จะฟังธรรมพ่อท่านได้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นจเจริญธรรมอ้าใครอีกคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งขอาการขอาการพออครูแล้วก็หมู่สํานาแล้วก็ศิ ร, ริธารมเจริญธรรมพวกเราทุกคนอแตมาไม่รู้จะสรุป ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จะเล่าเรื่องนะธรรมามีเรื่องให้เล่าฟังให้ฟังอนะเมื่อเช้านี้ก็เห็นประมาณสักเกือบจะสิบโมงแล้วเห็นทีมที่จะก่อสร้างมีท่านอะไรอะ่ะท่านถักบุญ ท, ท่านดวนท่านดวนดีแล้วก็อะไระจําชื่อไม่ได้แล้ะถึงไทย ถ, ถึงไทยนะไปคุยการเรื่องที่จะสร้างวิทยาลัยนะ ตอนแรกก็เจ้ายี่สิบหกสิบอะไรนะอพ่อครูก็บอกไม่ได้มันเล็กไปว่างั้นเลยว้างยี่สิบเมตรอะไรกัยาวหกหสิบเมตรมันต้องสี่สิบหกสิบว่างั้นนะโอ้ท่านทักบุญก็คิดลูกคิดนะแต่สี่ิลูกคิดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ใช่ลูกคิดก็แคก็แค่จีนนะลูกคิดลูกคิดให้ฟังโอ้ สุดท้ายต้องลดลงมาเหลือเท่าไหร่หเหลือให้มันครึงง่งอะไรเงี้นให้มันเคียดหน่อยว่างั้นนะสามสบห้าสิบว่างั้นนะยังไม่ถึงฮะสามสห้าสิที่หลั ง, ง20่สิบสี่สิบอะไรสู้กันไปสู้กันมาแ ต, ามาตามา่มาแตมามันมีอะไรออกเดี๋ยวก็ออกวิง่งเข้าวิว่งออกออกันนั้นเพื่อจะจะฟังบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าแตามาอาจเทปไว้อะ น, นะก็ก็เรียนว่านี่จะสร้างนะแต่ว่าเงิน ไ, ไม่มีสักบาทเนี่ยแตมากงง คือตมาอยู่ก็พ่อครูนี่เดินไปตรงไหนพราะครูก็จะบอกว่าตรงนี้จะสร้างอันนี้ตรงนี้อะไตมานี่ไม่มีอะไรตมาไม่นาทีอย่างเดียวเอออย่างเดียวนะคือคือเออคือตมนี่ไม่เรียนคำนับว่าเออคิดเลยมันจะลดตรงไหนตมาไม่รู้รู้แต่ว่าจะทํำยังไงให้ให้ตามให้ทันนะนะตามให้ทันพ่อครูนะ อย่างสมมติว่าพ่อครูนอนสี่ทุมเนี่ยอาตมาจะหลับ ป, ประมาณสักห้าทุท่มนะแล้วก็มันต้องตื่นก่อนนะตื่นก่อนหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอะไรพวกนี้นต้องตื่นก่อนนะพ่อครูตื่นหกโมงอาตมาจะตื่นประมาณสักตีห้าอะไรพวกนี้เปิดเกจเตยมอะไรอะไรพวกนี้นะเกยิ่งยิ่งยิ่งพระดันเทศได้ดีเท่าไหร่นะพ่อครูก็จะตื่นแล้วก็ทํางานหนักขึ้น นะไม่ใช่ว่าเพราะน่้นเทศดีล่ะเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำช้าๆก็ได้ไม่ใช่นะหนังสือก็เหมือนกันนะถ้าเห็นเขียนเห็นพวกเราอ่านดีๆนะเห็นยิ่งแกกนี่เท่าดียิ่งโอ้โหยิ่งขยันขมึงขมันเ่ยนะอาจมาก็เลยเห็นหลายๆอย่างนะอยู่อยู่กับพ่อครูนี่เนี่ยจะสิบปีแล้วเนี่ยมันแป๊บเดียวเองนะคือมันหยุดไม่ได้ไงมันต้องวิ่งตามอะไรพวกนี้ อาตมาก็ไม่เห็นพวกเราไงเห็นพวกเราเออบางคนแต่ละคนก็ออนะออยังไงอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะโกรดโกรใกล้ ๆ, ๆ, ๆออคือไม่รู้สิยัง เ, ออเมื่อก่อนเนี้ยตามามีเวลาอ่านนะอ่านคนคืออะไรอ่านสมาธิพุทธเนี่ยนะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ก็มีของใหม่มาให้เล่นนะ <c oughs> ที่จริงของไม่ใช่ของใหม่หรอกที่เขาจะมาให้ตามาเล่นเนี่ย ไม่ใช่ของใหม่หรอกของเก่าเพราะว่าตอนเข้ามาใหม่ๆนี่มันมีครบหมดคอมพิวเตอร์มีอะไรหมดมาใหม่ๆเนี่ยตมาโละทิ้งหมดเลยบอกไม่เอาของพวกนี้มันมันยังไงคือมีคนที่จะสอนออไอ้ตมาเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไระตมาบอกว่านี่ไอ้สิ่งที่จะสอนให้ตมาเนี่ยมันคนฉลาดเขาทํากันไอ้ตอมาเป็นคนบ้านนอกคนโง่มันมันไม่รู้เรื่องหรอกบอกเขางนะพอพอมาตอนนี้เนี่ยเขาก็ยัดเยียดให้อีกแล้ อายัดเยียดกับยัดเยียดยัดเด ย, ดยดเดียดก็ลองทําดูก็ก็ก็พอได้นะเพราะว่าที่จริงไอ้สิ่งที่เขายัดเยียดให้นี่มันเป็นสิ่งอิตมาชอบไงชอบเล่นชอบอะไรล้วก็รู้กีเลสของเราอ่ะพออยู่ก็อยู่มาสัก8ปดปีเก้าปีแล้วลองดูซิว่าลองดูมันมันมันจะขนาดไหนนะคิดดูเขาสอนอิตมาเนาี่ยสอนเรื่องคอมพิวเตอร์อะบอกอะไรเขาบอกปุ๊บเรามากลลืมปุ๊บทันทีเลยเ <laughs> พราะอะไรถ้ามันรู้เลยมันต้องทำใช่ไหม มันเรื่องของเรื่องอะเพราะว่าสิ่งเจ้มาชอบหมดนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเจ้ามาก็ลองมาดูดีว่าไอ้ปฏิทินน่ยมันจะมีย้อนหลังแล้วก็เขียนบันทึกอะไรพวกนี้อจ้มาไม่ถามกันเลยนะแล้วก็กดดูกดแล้วก็มันจะบันทึกไปยังไงมันจะเขียนยังไงอะไรพวกนี้เจ้ามาก็ลองทําเล่นๆเดาดูอะแล้วเขาเขาถามอะถามเขาถามท่านแสรดินคืออยู่ใกล้ๆกันห่างกันไม่ไม่ไม่ถึงเม็ดหรอกนะบางทีเจ้มาขอดูป้าย พอมันจะเข้าลึกๆอันไหนที่มันจะเป็นกิเลสปุ๊บอัตมาก็กดทิ้งเลยนะพอรู้ปุ๊บอัตมากระโดดออกทันทีเลยไม่ไม่เข้าไปตามพออัตมาสังเกตนะสังเกตในสมณะหลายองค์นะพอติดหนักๆในเรื่องพวกเนี้สุดท้ายไปไม่รอดนะอัตมากอัตมาก็เลยมาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอันไหนเป็นพิษเป็นภัยกับเราเนี่ยถ้าทิ้งได้นี่เป็นดีนะถ้าอันไหนสิ่งที่ที่เราทําไปแล้วเนี่ย มันให้ทำทำให้เรานี้ยร่าเริงทําให้เราเบิกบานเนี่ยแต่มาว่าทำํำไปเถอะทำทำจนเขาอะไรอ่ะอย่างคนขยันเนี่ยทําแมันขยันขยันจริ ง, รงๆอะไรพวกนี้นะแต่ไอคนขี้เกียจมันไม่ขี้เกียจจริงๆอะไรพวกนี้เราก็เลือกเอานะกลายเหนว่าการปฏิบททัติธรรมนี่ถ้าเราเรารู้ตัวเราว่าเราศักยะของเรามีมาก้อยขนาดไหนอันไหนเป็นตัวที่ที่เราจะละแม้ยากนะ อาจจะมาเคยดูหนังเรื่องโอชินใครเคยดูมั่งหรือเปล่าไม่รู้นะอ า, อาจจะาอาจมาเคยบอกท่านแซนนี้บอกว่าจะดูให้มันได้ล้านครั้ง <laughs> <laughs> พอดูเลยเห็นความขยันของเขาอ่ะเขาขี้เกียจไม่ได้เขาขี้เกียจนี่เขาไม่มีข้าวจะกินนะเขากินข้าวกับหัวใจโป้อ่ะนะแล้วถ้าเขาขี้เกียจนี่เขาไม่รู้สิยิ่งยิ่งดูอาจมายิ่งเข้าใจรายละเอียดหลายๆอย่างว่าโอ้นะ อย่างของดีราคาถูกเนี่ยอาจมาไม่รู้ไม่แน่ใจว่าระหว่างของโอชินกับของพระท่านนี่ใครคิดได้ก่อนกัน น, นะะเพราะว่าอาจามาดูหนังเรื่องนี้อาจามาถึงเข้าเข้าวัดอนะเมื่อสามสิบปีก่อนเนะนี่ยห น, นังเรื่องนี้นะก็อาจามาก็พูดไปอย่างนี้เลยนะเพราะว่าสรุปไม่เป็นนะจบแค่ น, นี้จะเรียนทำ อ้าวเอาละเมือนาทีหนึ่งที่ว่าจะถึงสิบห้าอาตมาก็ซื้อประกาศสุดท้ายนี้อ่าเราก็อาตมาว่าการศึกษาขอ ง, ง, ง, ง, งพวกเรานี่อย่างนี้มันดีนะแทนที่จะฟังจะอาตมาคนเดียวพูดเนี่เบื่อหน้าเบื่อแม้คุณจะบอกว่าไม่น่าเบื่อหรอกแต่มันก็มีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ดีมีรถมีชาติมีอนุณนี้ต่างๆนานาหลยายๆอย่างหลากหลายวารรตี้ดีก็ คิดว่าดีแล้วอย่างเงี้ยต่างคนต่างได้แสดงออกด้วยได้แสดงให้เห็นด้วยว่ า, ว า, วามีความคิดยังไงรับไปแล้วเป็นยังไงอะไรต่างๆนา น, นานะและก็บางทีบางอย่างแต่และท่านเนี่ยหยิบมาวิจัยวิจัยมีอะไรมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะมันมีอะไรแถมๆขึ้นไปด้วยอาตมา ก, ก็พลอยได้ไปด้วยก็ขอบคุณทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้ไปเกิดทเบ้